เมื่อสักครู่ก็พูดถึงในเรื่องของทานบา ร, รมีแต่ว่าพูดในเรื่องของข้อปฏิบัติหรือวิธีการคิดนะส่วนในด้านของข้อปฏิบัตินั้นยังยังไม่ได้กล่าวในด้านของทานบา ร, รมีท่านก็จัดเป็นสามระดับดังกล่าวนั่นแหละคือในทางด้านของระดับที่เป็นบา ร, รมีธรรมดาแล้วก็อุปบา ร, รมีแล้วก็รบรมัทธบารมีนะครับทีนี้พอมายกระดับขึ้นมาระดับที่สองที่บอกว่าทานบา ร, รมีเนี่ยมีศีลกำกับนะ ทานที่มีศีลกำกับเท่านั้นถึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นชัดว่าถ้าหากว่าเดินทานบา ร, รมีแต่ศีลบา ร, รมีไม่ไม่กำกับอยู่ก็เป็นทานของผู้ทุศีนนะครับฉั้นทานของผู้ทุศีลก็มีผลน้อยมีอนิสงฆ์น้อยฉะนั้นผลของความทุศีลก็มีทรัพได้ยิ่งใหญ่ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะยกตนเองออกจากอบายภัยได้เช่น เป็นพญา น, นาคเนี่ยครับยิ่งใหญ่มากนั้นอย่าแปลกใจนะครับถ้าใครจะมีการมีกิจกรรมในการที่จะชวนกันเจริญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่ผู้ชั่วชักชวนเป็นผู้ทุสีนะครับเขายิ่งใหญ่ได้ไห้ยิ่งใหญ่ได้แต่เป็นพญา น, นาคนะครับเป็นพญา น, นาคฉะนั้นเมื่อเป็นพญา น, นาคเนี่ยก็เป็นเจ้าฟ้าจเจวิดินของพญา น, นาคแต่พยานนาค ก, ก็คืออเหตุกาปฏิสนธินะครับคือปฏิสนธิด้วยความ ด้วยความไม่มีเหตุไม่มีเหตุประกอบฉะนั้นในเมื่อไม่มีเหตุประกอบจึงกลายเป็นบุคคลที่เป็นทุคติอเหตุกะบุคคลนะครับเมื่อเป็นทุคติอเหตุกะบุคคลก็ไม่สามารถตัดสู้ได้ยิ่งใหญ่ได้ไรได้ก็เหมือนกับเ อ, อพญา น, นาคที่ตอนที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยที่กลายเป็นที่ว่าเป็นภิกษุที่ทําศีลขาดแล้วก็ตนเองก็วิบัติก็กลายเป็นพญา น, นาคเนี่ยนะ อาจารยก็โอ้โต้องร้องไห้เลยบำเพ็ญบา ร, รมีมาเป็นหมื่นหมื่นปีอยเงี้ยที่สุดจริงก็มาล่วงละเมิดเพราะไม่มีใครจะแสดงเพราะตนเองไปล่วงละเมิดในด้านของพระของเขียวยังไงนะครับที่สุดจริงๆตนเองก็ลงลงอบายทุกปฏิวิธิบาติไปพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาด้วยความที่เครียดมากที่ตนเองระลึกแล้วไม่สามารถจะบรรลุได้ตนเองก็เสียเสียหายเลยฉะนั้นถ้าพูดถึงในด้านของศีลบา ร, รมีก็มีสามระดับนะครับการสมาทานศีลห้าเป็นต้น นะครับแม้มีเหตุให้ล่วงละเมิดก็ไม่กล้าล่วงสิขาบทนะครับไม่ล่วงละเมิดเพราะเหตุแห่งทรัพย์นะครับไม่ล่วงละเมิดเพราะเหตุแห่งอวัยวะเพราะเหตุแห่งญาติและไม่เพราะเหตุแห่งชีวิตในทงจะประหยัดว่าเป็นบารมีนะครับประการต่อมาการสมาทานศีลห้านั่นแหละแม้ถูกผู้อื่นเบียดเบียนอยู่ก็ไม่ทําร้ายตอบนะครับไม่ทําร้ายตอบ หรือเบียดเบียนอยู่ก็ไม่ไม่ทำร้ายตอบหรือเบียดเบียนตอบกลับให้เขาชิบหายเนี่ยแม้เพราะเหตุแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ของตนจะเสียหายอันนี้เป็นศีละอุปปารมีเช่นว่าแม้ถูกเบียดเบียนเบียดเสร็จก็ไม่ยอมเบียดเบียนตอบแล้วก็ยอมอดทนอดกลั้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้ตนเองจะสูญเสียอวัยวะก็จะรักษาศีลไว้อย่างนี้เป็นศีละอุปปารมีนะครับ ถ้าการสมาทานศิกขาบทโดยไม่ทําลายศิกขาบทของตนที่สมาทานไว้ด้วยดีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตก็ไม่ก้าวล่วงนั้นเป็นศีลปรธรรมัตถบารมีนะครับเป็นศีลปรธรรมัตถบาลมีที่เนี้ยพระโพธิสัตว์ท่านปฏิบัติต่อศีลท่านปฏิบัติยังไงวิธีการปฏิบัติของท่านก็คือว่าศีลของพระสัพพัญญูเนยพึงชําระด้วยศีลของตนตั้งแต่ต้นก่อนประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับ ถ้าถามบ อ, อกว่าพระบริษัทเนี่ยนะพระมหาบรุษเนี่ยท่านต้องการประดับตกแต่งตกแต่งตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับก็คือศีลของพระสัพพัญญูก็ชำะระศีลของตนเป็นต้นก่อนแปลว่าทําไมท่านต้องบำเพ็ญศีลขนาดนั้นก็เพราะต้องการที่ท่านจะให้เห็นคุณว่าเออเนี่ยกุศลศีลของท่านที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่านชำระตนเองให้ความบริสุทธิ์บางคนเนี่ยท่านรับการรักษาศีลเนี่ยนะบางคนมีตนเป็นใหญ่ มีตนเป็นใหญ่เพราะมีอัตยาสายบริสุทธิ์มาแต่เดิมเกลียดบาปนะเกลียดบาปเป็นหิริระอายต่อบาปนี่นแหละบอกว่าที่ว่าระอายก็คือความระอายให้ปรากฏขึ้นในภายในขันธสันดานเนี่ยแล้วก็มีความประพฤติเสมอว่าเรียกว่าศีลบริสุทธิ์โดยความบริสุทธิ์ของอัตยาสายที่ได้สั่งสมมาอันนี้การประลบตนด้วยลาายของหิริคือความระอายต่อบาปแล้วเกลียดบาปไม่ยอมให้บาปเกิดขึ้นภายในตนก็เลยชําระขันธสันดานตนเองให้หมดจดเสีย เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนคนคนไม่อยากให้ตนเองสกรปรกนะครับก็พยายามชำระอาบน้ําตนเองทําชำระร่างกายสะอาดคนที่รังเกียจบาปไม่อยากให้บาปแปดเปื้อนกระแสะชีวิตของตนเองเพราะละอายเพราะละอายว่างั้นเถอะก็เลยชำระใจชำระกายวาจาใจของตนเองให้สะอาดอันนี้เป็นศีลนะครับบางคนเนี่ยเมื่อมีการสมาทานถ้ามองอย่างเนี้ยบางคนมีมีมีม มีการสมาทานศีลประป ร, บ ล, ك, ประลบโลกประรลบโลกนะครับยังอดตปะปาอดตปาในที่นั้นก็คือความสะตุ้งกลัวต่อ บ, บาปให้ปรากฏภายในขันทสันดานเป็นผู้มีความประพฤติบริสุทธิ์ดีเขาเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ด้วยการสมาทานอันนี้ปร ะ, ะปรลบปารลบโรคนะในนี้เกิดหมายความประปารล บ, บุคคลอื่นนะปารล บ, บุคคลอื่นหรือด้วยเหตุทั้งสองอย่างความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยและการสมาทานดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยการไม่ก้าว่วงนะครับไม่ก้าร่วง ไม่ก้าวล่วงก็คือไม่ล่วงละเมิดไม่ทําให้ศีลตนเองนั้นวิบัติก็แต่บางบางครั้งถ้าท่านหล ง, งลืมสตินะศีลของบุคคลนั้นเหล่านั้นก็ขาดไปได้บ้างแต่ก็จะทําศีลที่ขาดไปนั้นเป็นปกติโดยการทําคืนโดยเร็วเพราะบริษทัทธเนี่ยบางทีท่านไปล่วงละเมิดนะสิขาบทนี่นะท่านจะมีฮิริโอตปะที่มีกําลังแข็งแรงมากหนึ่งศรัทธานะเหตุใกล้นะเหตุใกล้ของศีลเนี่ยศรัทธาคือเชื่อมั่น เชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระราตน้าไตรเป็นแรงกระตุน้นและให้ต่อบาปนี่เป็นฮีรีแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของการทุศีลเป็นปต้นเหล่าเนี้แรงกระตุ้นตรงนี้เป็นตัวผลักดันทําให้บําเพ็ญศีลได้อย่างบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งลองดูข้อปฏิบัติลลานนิสงนะเวลาพระโพิสัต ท, ท่านบําเพ็ญจารีศีล น, นะครับดูความงดงามในจารีที่ท่านประพฤติปฏิบัติ ก็คือพระบริษัททําการกาาราบไหว้พิรักเอาพิว่าต้อนรับเอ่ยนอบน้อมเอ่ยทําอัญเชิญกรรมแสดงความเคารพทำสามีจิกรรมแก่กัละยาณมิตรผู้อยู่ในฐานะของครูตลอดกาลนี่ก็คือหลักกตัญยูท่านสูงมากวังนั้นเถอะพระบริษัทธ์มีกตันยูและมีกะตะเวทีตอบแทนคุณของบิดามารดาครัวอาจารย์สูงมากอดทนในความเสียหายของคนอื่นและลึกถึงอุปการะคุณของบุคคลอื่นก็สังเกตดูนะว่าอัตยาสัยของเรามีไหมว่า คือเป็นคนมีความกระตันญูรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณคนอื่นยินดีในการอนุโมทนาบุญคนอื่นนะเช่นคนอื่นทําบุญเนี่ยก็น้อมที่จะอนุโมทนาบุญว่างั้นเถอะน้อมที่จะอนุโมทนาบุญของคนอื่นได้เร็วได้เร็วมากไ ม, ม, ม่น้อมบุญของตนเพื่อน้อมน้อมบุญของตนเเพื่อบรรลุสัมมาสัมพธิยานตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดกาลนานเลยว่างั้น คือไม่ปล่อยให้บาปเนะี่ยเข้ามาทะลุทะลวงในใจเมื่อมีโทษก็เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็แจกแล้วก็แจ้งแกสหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริงแล้วบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติได้โดยชอบสมมติว่ามีโทษเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเนะี่ยทะลุตัวเองผิดเมื่อไรเป็นเสร็จก็รีบกลับเนื้อกลับตัวทันทีว่างั้นเร็วมากอัตยาศัยของบริษัทธ์ท่านอุปมาอย่างนี้เหมือนเหมือนค้นไข่ค้นไก่นะคะคน้ น, ะคะคนไก่ที่ต้องไฟอ่ะเวล า, าไปถูกไฟปุ๊บเนี่ยจะ ง, งอหนีนะนั้นะ อธิยาศัยของขรโพยศาสตรี่เกลียดบาปกลัวบาปมากไม่ไม่อยากจะแปดเปื้อนเลยว่างั้นจะหนีคําว่าหนีในนั้นจิตหดออกจากบาปก็น้อมไปในบุญอย่างต่อเนื่องทีนี้เมื่อเมื่อควรทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อันควรแก่ตนแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้ขยันนะไม่เกลียดคา้านเข้าถึงความเป็นสหายเมื่อทุกมีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นนะแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามการควรเลยว่างั้นเถอะ อันนี้แปว่าขนขวายในกิจการบุคคลอื่นเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมมีความเสื่อมจากยาบเสื่อมจากทราบเสื่อมจากยอดทั้งหลายก็ช่วยบรรเทาความโศกกว่างั้นเถอะไปแก้ไขท่านนี่สาธรารณประโยชน์นี่ท่านทำโดยจริงนะไม่ได้ทำคนที่เป็นผู้บริษัทเนี่ยไม่ได้ทําแล้วมันจะได้หน้าได้ตาอะไรเนะี่ยท่านทําเพราะอัธยาศัยท่านจะช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์กว่างั้นเถอะแล้วก็ช่วยบรรเทาความโศกเป็นต้นให้อยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือได้ตลอดการเป็นนิด แล้วก็ผู้ที่ข่มนะีข่มผู้ที่ ค, คนะุ้นข่มโดยโดยทำเนะี่ยก็ธรรมะเอาธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้องเนะี่ยเพื่อให้เขาพ้นจากอากุศลเช่นเห็นเพื่อนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิก็เอาคําสอนไปบอกไปกล่าวพยามจะแก้ไม่ใช่ไปอนุโลมตามเพื่อนเรื่อยเลยนะอัจฉริ ย, าายของบริษัทไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นเห็นเพื่อนทําผิดเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วเนี่ยบริษัทไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะบริษัทก็จะต้องมีอุบายว่าทำยังไงเนาะจะให้เพื่อนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวจากควา ม, มเห็นผิดมาเห็นถูก เห็นเพื่อนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นก็หาอุบายวิธีในการที่จะแก้ไขไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยแล้วบอกว่านี่คือรบริษัทนะไม่ใช่นะอัธยาศัยของบริษัทเนี่ยจะต้องเกลียดบาปนะเกลียดบาปแล้วก็พยายามจะให้คนออกจากอกุศลเพราะรู้ว่าอกุศลมันเป็นสิ่งสโปรกใช่ไหมก็พยายามหาอุบายวิธีเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจะเอาบาปอกุศลออกจากใจเพื่อนใได้เอาบาปอกุศลออกจากใจพ่อใจแม่ให้ได้ อาบาปอักสรธรรมอันลามกออกจากใจบุคคลที่เราเกี่ยวข้องให้ได้ก็จะมีอันอัธยาศัยคอยเกื้อกูลน่ะคอยช่วยเหลือหาจังหวะอยู่นั่นแหละว่างั้นนะแต่พระบริษัทธาสังเกตดูไหมท่านจะรู้จริงนะครับท่านจะรู้จริงท่านจะรู้ท่านจะฉลาดแล้วจะหาวิธีนั้นในใจของท่านก็จะหาเหตุหาผลวิจัยคอยพิจารณาตลอดไม่ใช่ว่าเออไล่อย่างสังเกตดู ถ้าอัทยาสายคนไทยเราเนี่ยเราจะต้องเกรนะว่าเป็นอัธยาสัยที่ชอบแสดงทัศนะมากกว่าชอบแสวงหาความรู้อันนี้ไม่ดีถ้าพระอริสัตย์นี่จะมีอัทยาสัยชอบแสวงหาความรู้แสวงหาความจริงเมื่อได้ความรู้ได้ความจริงเบ็ดเสร็จท่านจึงมาแสดงท่านจึงมาบอกกล่าวแต่ถ้าอัธยาสัยของคนไทยส่วนใหญ่อาจไม่ใช่คนไทยอาจจะคนทั้งโลกเลยก็ไม่รู้เลยจะพูดจะเจาะจงคนไทยขึ้นมาจะยุง่งเนี่ยเคนไทยที่เขาแสวงหาความรู้ก็มีใช่ไหมเนาะ ช อ, ช, อชอบแสดงความเห็นมากกว่าสแสวงหาความรู้ท่านพระธรรมเทศนาจริงไหมแต่เป็นลูปท้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนะี่ยผมก็ไม่ได้คุกคีทก็เลยนะแต่ยพวกเราคงไม่มีนะพวกเราคงเป็นกลุ่มสแสวงหาความรู้นะมากกว่าสแสวงห า, คว า, า, กกวางความเห็นทีน่นี้ถ้าเรามองนี้ก็คือว่าเป็นผู้ยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง โดยทํากรรมใดที่ทําได้ยากอย่างยิ่ง่ะกว้างขวางที่สุดก็คือมีอนุภาพเป็นอาจินไตด้วยอ น, นำประโยชน์สูงให้แกสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวเนะี่ยฉะนั้นว่ามหาโพธิสัตว์เนะี่ยแต่ก่อนได้ประพฤติมาแล้วแล้วโพธิสมพันธ์ของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นน่ะได้ถึงความแกลกล้าโดยชอบด้วยคุณธรรมใดนะท่านก็จะฟังคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่หวาดสะดุง้งเอางี้เราฟังคุณธรรมของโพธิสัตว์เนี่ยท่านมหาฟังแล้วสะดุง้งไหมกลัวไหมกลัวไหมว่าทํายากเหลือเกินเนี่ยกลัวไม่กลัว กลัวใช่ไหมถ้ากลัวนี่ไม่มีอัตฉริยะสายผู้บริษัทนะถ้าผู้บริษัทฟังแล้วตื่นเต้นบอกโอ้โหอย่างนี้ยเราอยากจะทําบ่างั้นคนที่มีอัจฉริยะสายอยากปรารถนาเป็นผู้บริษัทนี่นะพอฟังปฏิปทาข้อปฏิบัติของผู้บริษัทในการเดินทางบารมีศีลบารมีฟังแล้วตื่นเต้นว่าเราก็จะต้องทํากรรมอันงามอย่างนี้ให้ได้ทํากรรมที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ทกรรมที่สูงสุดนี้ให้ได้มีมีท่านผู้ใดเป็นแบบนี้ไหมครับเป็นไหมท่านท่านอาจารย์เป็นไหม ฟังกรรมของพระโัษฐ์อย่างนี้เราอยากจะทาไห ม, ไมยังไม่อยากเลยเอ๊ะทไมอ่ะอ <tem po> ๋อแต่แต่ถ้าอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าไม่มีอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระพุทธญาคอ ง, องัน แ, แต่มีอัธยาศัยที่จะเดินตาม <c oughs> ไหเดินตามเดินตามเนี่ยแต่แต่ฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วกลัวไหมกลัวกรรมของท่าน เช่นควักตาแจกเ ง, งี้ยกลัว <c oughs> ไหมกรรมแบบนี้นะไม่น่ากลัวนะจะไหละเลือกลือใครฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นเราเราก็เป็นหนึ่งนั้นนะที่สักวันหนึ่งเราจะทำไม่ได้คิดอย่างเงี้ยอาจจะคิดในใจก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเปิดเผยออกมาวันนี้ก็ได้ อีกลานลานชาติแล้วเจอหน้าผมแล้วค่อยเปิดค่อยเปิดเผยก็ได้ขอไปได้ยังเงี้ยนะอย่าสมมติเงี้ยนะคอยบอกว่าออวันนั้นที่ท่านท่านพูดมาเนี่ยผมเป็นอย่างนั้นแหละแต่วันนั้นผมไม่กล้าพูดยอย่างนี้ยตองนั้เนี่ยแต่วันนี้ผมกล้าแล้วเพราะผมยิ่งใหญ่แล้วผมถึงกล้าพูดยอะไรเงี้ยนะเนี่ยท่านมาหานะีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือคือฟังแล้วเนี่ยฟังกรรมที่ยิ่งใหญ่ของท่านแล้วฟังแล้วสะดุง้งสะเทือนอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าฟังคุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็ไม่หวาดสะดุ้งว่างั้นไม่หวาดสะดุ้งโอ้โหลองคิดดูที่การกระทำของท่านนะีแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยใช่ไหมถ้าเราอ่านอ่า น, อ, านอ่านให้มากๆแล้วก็ศึกษาแล้วก็มาวิจัยวิเคราะห์แล้วก็มาดูเหตุการณ์ตามความเป็นจริงดูผลที่เกิดขึ้นนะีผลจากสัมมาสัพพะริยาณที่เกิดขึ้นดูจากวัดวารามในตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ย เราลองดูว่าคนที่เขาบูชาอย่างเช่นจารึกอโศกเนี่ยเสาอโศกเนี่ย 84,000 ต้นเนี่ยวัด 84,000 วัดเจดีย์0 0ดเจดีเป็นต้นเหล่านี้บริจาคทรัพย์ตั้ง90กว่าโกรในการถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เป็นต้นน่ยนะแล้วก็ต้องดูว่าเอออันนี้อะไรลรามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะ คนที่ที่สละที่ยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นนะหรือหรือตาลูดูอย่าเยงเทาาา้าสกัดเนี่ยยกบัลลังยยย ก, ยยกง์ถวายเป็นพุทธบูชายกยกประเทศสองประเทศถวายเป็นพุทธบูชาเท้าหมาพรมเนี่ยเอาเอาลัตตนาใหญ่โตเท่ากับไปขุนเขาซิเนรู้อย่างเงี้ยนะถวายเป็นพุทธบูชาเดียวพระสมรถถัมมาสัมพุทธเจ้าเอ้อทําไมเขากล้าถวายกันยิ่งใหญ่ขนาดนะนั้นแสดงว่าเขาเห็นอะไรเนี่ยเห็นกรรมมันงามของพระบรมรัชกาลที่ทำมาเนี่ย เขาบอกโอ้โหเขาทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เขายอมบูชากัแล้วกันสิ่งที่เขาพอทำได้ก็ทำอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะเออเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นงั้นพระบริษัทเหล่านั้นะเป็นมนุษย์ก็ถ้าเรามองอย่างเงี้ยพระบริษัทแม้แม้เหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะมีอัตภาพว่างั้นพอมีมีอัตภาพทำงนนาพพงงนอบรมเพื่อความบริบูรณ์ในการศึกษาตามลำดับได้บรรลุถึงบา ร, รมีอย่างอุกฤษในโพธิสมภาร ถ้าถึงความอนุภาพอันยอดเยี่ยมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นโดยชอบในสิกขาก็คือในศีลและสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเป็นต้นพรอโพยศัตรีเวลาท่านเห็นกรรมท่านไปไปอ่านประวัติของพ่อโพศัตรีอื่นๆนะศึกษานี่นะศึกษาไปเสร็จเอ๊พ ร, ราโพยศัตรีท่านก็เป็นมนุษย์นี่ว่างั้นเราก็มนุษย์เราก็มนุษย์ท่านเป็นมนุษย์ท่านก็ทําได้เราเป็นมนุษย์ทําไมเราจะทําไม่ได้เงี้ยนี่วิธีคิดของท่าน อันนี้หมายถึงคนที่จิตใจยิ่งใหญ่แล้วมีอัธยาศัยนะมีอัธยาศัยในการที่ปรารถนาในการจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพออ่านนี้ออพอศึกษาอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ท่านก็รู้ดูจริยาวัดของพระเวสสันต์ในดีดนะ่ะไมาตามลำดับท่านบอกเอา้า เพรา ะ, ะพจิษัทท่านก็เป็นมนุษย์มาก่อนท่านก็บําเพ็ญได้ท่านก็เริ่มจากเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนีน่นแหละแล้วก็เพียรพยายามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลําดับเราก็เป็นมนุษย์ทําไมเราจะทำไม่ได้ท่านคิดอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็จะทําให้ได้เพราะใจใจท่านได้แล้วตอนเนี้ใช่ไหมเหมือนเรากล้าถวายชีวิตเป็นพุทธระบชาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเรากล้าไหมก็ไม่กล้าแต่พอมาวันนี้ทําไมเรากล้าใช่ไหมเหตุที่กล้าเนี่ยเอ้ามันก็มาจากการปลุกเรามาจากเกหตรและผล มันมาจากการสั่งสมมันมาจากการอบรมมันมาจากการคิดการวิเคราะห์การวิจัยมันมาจากการปฏิพฤติปฏิบัตินี่แหละเอ๊ะเราก็ทําได้ทําไมไม่ได้ยี่เปต้นเนี่ยท่านก็นมาพิจารณาบอกเออเราก็จะเดินอันไรเราเป็นคุณธรรมส่งเสริมในการที่จะบําเพ็ญทานบาร ม, มีเอาสิกขาสามไงศีล ส, สมาธิปัญญาเอ้าสิกขาสามเป็นกฎกฎของธรรมชาตินี่แล้วก็ให้เหตุปัจจัยไปสิ ให้อาหารให้เหตุปัจจัยของศีลให้เหตุปัจจัยของสมาธิให้เหตุปัจจัยของปัญญาหยอดอาหารให้ทุกวันบํารุงอาหารทุกวันคุณธรรมมันก็โตขึ้นมาได้ใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่อาจจะไม่โตวันนี้แต่เราตั้งเป้าไว้ได้นี่จริงไม่จริงตั้งเป้าหมายไว้ได้เงี้ยเห็นไหมถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่านี่ไงแม้เราก็จะบําเพ็ญศีกขาให้บริบูรณ์ตามลําดับในการปฏิบัติแล้วจะบรรลุถึงบท นั้นโดยส่วนเดียวบทในที่นั้นก็คือจะบรรลุอมตะบทกล่าวคือพระนิพพานที่เป็นอนุปาทาพนพิพพานการเป็นพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวกั้นชื่อว่าเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายโดยชอบทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้มีปกเขาบอกปกปิดความดีนะเวลาทําดีขนาดไหนก็ไม่ชอบบอกให้คนอื่นทูกรู้นี่อัตยาใัยของโพธิสัตว์แต่ชอบเปิดเผยโทษเออลองมานึกถึงใจเราที่เราเป็นคนกลุ่มไหน เวลาทําดีเนี่ยเราอยากจะบอกความดีกับคนอื่นไหมเวลาทําผิดอะไรนิดหน่อยก็อยากจะเปิดเผยโทษไหมเราให้เนื้อเย่ยงอย่างนี้นะถ้าพระพุทธศาสนาท่านจะปิดคุณเช่นมีคุณธรรมอะไ ร, รต่างๆท่านก็จะปิดไม่เปิดเผยเคนทุกวันนี้ชอบเปิดเผยคุณนะชอบปิดโทษตัวเองใช่ไหมครับแต่พระพุทธศาสนาท่านคิดตรงกันข้ามนะครับท่านมีคุณธรรมมีความดีมีอะไรต่างท่านจะปิด ม, มีคนมาถามว่าโอ้เนี่ยได้ข่าวว่าท่านมีฌานมีสมาบาัตมีอะไรท่านบอกไม่มุ่ท่านก็จะปิดเลยเนี่ยนะจะไม่เปิดเผยจะไม่เปิดเผยแต่ถ้าท่านมีโทษทําผิดอะไรต่างท่านจะรีบเปิดเผยทันทีเนี่ยนะมักน้อยสันโดษสงัดไม่ครุกคลีทนต่อความทุกข์ด้วยพระิษัทจะทนต่อความทุกข์แล้วก็ไม่หวาดสะดุงไม่ฟุง้งซ่านปกติฟุง้งซ่านบ่อยไหมครับฟุ้งไหมบ่อยไหมฟุ้งซ่านี่บ่อยไหม ไม่ค่อยบ่อยเนาะเพราะพรดิษฐ์าสตร์ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะพอดิษฐ์าไม่กลัวเอ้ยเวลาไปไหนมืดๆค่าๆอยู่คนเดียวไปในที่ไหนเป็นคนขี้กลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมเออนี่มีคุณธรรมข้อนี้แล้วแล้วฟุ้งไหมท่านอาจารย์ฟุ้งไหมนอนหลับง่ายไหมชอบไปไหนคนเดียวนะไม่กลัวล ไ, หหลไม่ฟุ้งซ่านไม่เย่อหยิงไม่หวั่นไหวไม่ปากร้ายเป็นคนขี้บ่นไหมท่านอาจารย์ขี้บ่นไหม บ่นเยอะนี่ตรงนี้ไม่ดีอันนี้คนจะตามของบริษัทไม่มีแล้วทั้งนั้นเนี่เพระพาะบริษัทไม่ขี้บ่นนะฮ <c oughs> โอ้บ่นมากเลยใช่ไหมโลกวัดไม่ค่อยอยู่ติดเลยใช่ไหมฮ ะ, นะไม่ไม่เกี่ยวกับยุ่มากนะครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับยุ่มากนะเกี่ยวกับการสํารวมระวังใช่ไหมฮะ <c oughs> นะ ไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะต้องขี้บ่นทุกคนนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวงั้นการขี้บ่นหรือไม่ขี้บ่นไม่ได้อยู่ที่แก่หรือไม่แก่บางคนก็บ่นตั้งแต่เด็กแล้วตรนนี้คุณธรรมระดับศีลนะระดับศีลนะครับเออนี้ไม่ได้พูดเรื่องสมาธินะระดับศีลนะเนี่ยนั้นคนจุกจิกจู้จี้แล้ะขี้บ่นทั้งหลายเหล่านี้คือศีลไม่ดีได้แล้ครับศีลไม่ค่อยดีตรงนี้ก็ต้องมาอ๊ะ อันนี้มันเป็นศีลปิดย่อยที่เราจะต้องมาควบคุมใช่ไหมครับไอตรงเนี้นะเรื่องศีลแล้วก็ภาษาในพระตรัยปีดกก็บอกไม่แสหาเรื่องในพระตรปีด ก, ก น, นะครับนไนเมียโบพูดนะในว่าเอ๊ะแปลว่าไงครับมาแสหาเรื่องนี่แปลว่าไงฮะคือเวลาเขานินทาเขาชอบยื่นหูไปหาทุกนี้วะแแ ส, แสในที่นี้ก็หมายความว่าคําพูดที่ไรมักจะมีเรื่องมีราว อย่างนั้นแล้วมั้ไมเป็นเด็กๆผมมักจะเป็นในข้อนี้ตอนเป็นเด็กๆนี่นะคือไอ้เราก็ไม่เคยรู้มักจะไปพูดพูดไปพูดมาเอาเขาโกรธแล้วจนได้อะไรเงี้ยนี่นะมักจะไปพูดอ่ะตรงนี้ก็คือว่ามีอินรีย์สงบนะครับคําว่าอินรีย์สงบนี่หมายถึงอะไรอ่ะอินรีมันมี2ส่วนนะอินรีย์คือตาก็เรียกอินรีใช่ไหมจากขุนโสตินซีคาณินรียชิวินรียกายเยนรียแล้วมันอินรียคือใจ หรือสัดทินรีวิริยินรีสเตนรียเอาอินรียตัวไหนเน่ยเนี่ยอินรีย์สงบเนี่ยเอาตัวไหนดีเอาตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมสงบใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาสำรวมอินทรีย์ภายนอกนะครับและส่งเสริมอินทรีย์ภายในนะเพิ่มภูมิอินรีย์ภายในนะครับทังจะเรียกอินรีย์สงบสํารวมคือปิดบาปทั้งอินทรีย์ภายนอกนะครับไม่ให้ราคาโทรศโมหะหมุนกสู่จิตและในขณะเดียวก็ก็เพิ่มภูมสัดทินรีย์ เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนวิริยะ ส, สมาธิและปัญญาเนี่ย <_ d ata> เขาเรียกสำรวมอินทรีย์ภายนอกกับเพิ่มพูนอินทรีย์ภายในนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สงบปราศ จ, จากมิจฉาอาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นงั้นพวกที่มีศีลทั้งหลายก็จะไม่เป็นคนหลอกลวงถึงพร้อมด้วยอาจาระคือถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีงามไม่ละเมิดนะไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายทางวาจาและโคจรโคจรในที่นั้นก็คือการเที่ยวไปนะ เก pues er นะี่ยวกับอาชีพโดยทั่วๆไปสถานที่และบุคคลที่คบหาเห็นภัยเห็นโทษโดยมีประมาณน้อยคือเห็นความชั่วแม้นิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนกับทํากรรมหนักเออเนี่ยเนี่พระพุทธศาจะเป็นงี้ความชั่วนิดเดียวก็โอ้ไม่กล้าไม่ไม่กล้าทำแล้วเหมือนขุนเขาซิเนลูเลยว่างั้นเดี๋ยเหมือนกรรมนี่หนักเหลือเกินเนี่ยนะแม้ถ้าเป็นสํานวนของเราที่เป็นพระก็อาบัติทุกกฎเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทําเพราะงั้นไม่ทํา พอเห็นว่าโอ้โหมีโทษมากก่างั้นเถอะไม่ใช่บอกอ้อบับดับทุกกฎไม่เป็นไร ล, ลอกแสดงได้อะไรเงี้ยไปคิดนี้ท่านม่คิดอย่างนี้นะถ้านม่คิดแบบนี้นะท่านบอกอู้อบับดับทุกกฎไม่เป็นไร ล, ลอกกลับไปตอนตอนเย็นเย็นก็สัปตาอับดิโยโรยมีเดวก็หมดแล้วว่ า, างั้นท่านท่านไม่ไดคิดอย่างนี้เพราะวิสัชนไม่คิดอย่างนี้เลยท่านเห็นเป็นโทษนะครับตั้งใจศึกษาในศึกขาบทมีศึกขาบทมีข้อฝึกเท่าไหร่ศึกษาหมดนะครับมีข้อฝึกกี่ข้อเอใน ในในวินัยปิฎกเนี่ยนะท่านศึกษาหบดที่เป็นข้อฝึกนะครับแม้ในขันทกวัดในมหาวัดข้อศึกข้อฝึกเล็กๆ น, น้อยๆท่านก็ศึกษาเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะขัดเกลอกายกรรมวจีกรรมของท่านนะ่ะให้สะอาดให้หมดจดให่งดงามว่างั้นเนี่ยท่านท่านจะศึกษารายละเอียดแล้วก็มาไข ค, ควรมาวิจัยมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องเลยว่างั้นนั้นข้ออะไรที่จะฝึกกายฝึกวาจ้างตัวเองให้สงบให้เรียบร้อยให้เป็นศีล ยิ่งมากยิ่งดีศีลยิ่งมากยิ่งดีเขาก็มีปัญหาถามว่าเออสิกขาบทเล็กๆน้อยๆที่เคยบทที่บอกว่าพระมารยะหลังบอกว่าเควรควรจะตัดออกไหมว่างั้นในมิรินทปัญหาท่านก็ยกอุปมาบอกว่าเอางี้พระราชามหากษัตริย์เนี่ยปกครองแวนแควนมีประเทศมีประเทศราชเนี่ยเป็นเมืองปกครองเมืองขึ้นเน่ยมากมายเหลือเกินว่างั้นมีหลายร้อยหลา ย, ลายพันเมืองเนี่ยนะครับ นี่อยู่ต่อมาพระราชานันนาาน้นสวรรคตเพราะพระราชานั้นสวรรคตเบสเสร็จราชกุมารก็ขึ้นมาปกครองแทนว่างั้นนี่ราชกุมารมีความยุ่งยากใจไหมว่าทํำไมประเทศเราเนี่กว้างใหญ่กเกินยุ่งยากไหมครับแหมทําไมปกครองยุ่งอย่างนั้นเลยตัดแบ่งให้คนอื่นเถอะเราปกครองเล็ ก, ล ก, ลกน้อ ย, อยก็พอแล้วถ้าคิดแบบนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดไหมเฮ้ยฉลาดที่ไหนเสียดินแดนเสียหายเลยนะเนี่ย ตอนที่ตอนที่ราชการที่หเสียดินแดนเนะี่ยไม่ว่าราชการร้องไห้เป็นเดือนเดือนสอเดือนนะท่านต้องการแสงเลยนะน่ยโศกเลยนะว่าเอ๊ยในยุคของเราเนี่ยุย่งเลยเนี่ยฟังกันนะเสียไอ้ทางใต้ก็เสียการันตันการันตนูมรากาใช่ไหมล่ะทางเหนือก็สองเสีย12ปันนา12บสจุไทเนี่ยเสียเมล็ดพัตตะบองหลายก็เสียเสียหมดเลยเนี่ยร้องร้องไห้นะการแสงไม่ออกว่าราชการตั้งนานนะเนี่ยนะอันนี้แปลว่ารักษาดินแดนเก่าไว้ไม่ได้เนี่ย ระทมระทมทุกนะระทมทุกนะนี่เหมือนกันเราเป็นราชกุมารของพระพุทธเจ้าว่างั้นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้นะี่ยิ่งมากยิ่งดีคืออริยทรัพย์เ่ยยิ่งมากยิ่งดีว่างั้นอย่าไปคิดว่ามากแล้วมันทําอึดอัดยิ่งมากก็ยิ่งดีนี่บ่งบอกถึงความมึงความมีทรัพย์มากศีลเป็นทรัพย์ใช่ไหมเออพระโพธิสัตว์ท่านเห็นเป็นทรัพย์นะครับศีลเนี่ย อย่าไปคิดว่าโอ้โหศีลเนี่ยมันมันยุ่งยากแล้วไม่ดีไม่ใช่นะศีลเป็นอริยทรัพย์ตรงนี้ก็คือว่าประกอบความเพียรมีตนที่มั่นคงไม่คํานึงถึงกายและชีวิตนะบรรเทากิเลสก็คือความเศร้าหมองความกโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นด้วยอันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลทั้งปวงได้ครบบัเทาก็คือละละกิเลสเหล่านี้ได้ตรงนี้คือท่านเป็นผู้ไม่ยินดีอยู่ในการบรรลุธรรมวิเศษที่มีประมาณน้อยเพราะบริษัทท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ยินดีเลยนะเช่นจะบรรลุเป็นภาษาวกเนี่ยไม่เอา ท่านจะทําความไม่ยินดีก่อนจะบรรลุเป็นพระปัจเจกท่านก็ไม่เอาท่านจะไม่ยินดีสองสองสองโพธิ์ที่นี่นะถ้าไปทําความยินดีด้ยวยใจท่านก็ น, น้อมออกใช่ไหมฉะนั้นท่านจะไม่ยินดีสาวกโพธิ์ที่กับปัจเจกโพธิ์ที่ถ้าพวกเราแล้วเขาท่านจะบรรลุวันนี้ได้บรรลุไหมเนะี่ยฮจะบรรลุอะไรเออบ่รลุแค่นี้เราบรรลุนี่มันมันน่าคิดเหมือนกันนะให้รู้มากกว่านี้ค่อยบรรลุดีไหมจะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่าเห็นไหมถ้าอย่างเราจริงๆถ้าไม่ข้อมูลเรา อ, อย่างนี้ถ้าเราบรรลุได้แล้วก็เอาเลยใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกยินดีในคุณวิเศษที่ยังน้อยอยู่แต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่หรอกถ้าท่านจะบรรลุก็ต้องบรรลุในคุณวิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ท้อในไม่ท้อแท้ในการพยายามที่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งยใหญ่กันไปพระโพธิสัตว์นี่มีการประพฤติขนขวายมากมีความอ่อนมีการอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เนืองนิดเออตรงเนี้หน้าหน้าหน่ า, นาคิดมา พรบริษัทจะไม่มีอาการเยื่อยิงอ่อนน้อมออพระองค์เป็นผู้บอกทางให้เป็นผู้นําทางแก่คนตาบอดอันนี้เวลาจริยาวัดตอนเป็นคารวาตนี่นะบอกทางชี้ทางให้แก่คนนําพาคนตาบอดเนี่นะให้สัญญาณด้วยนิ้วมือแก่คนหุนหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์แก่คนใบที่นั่งในยานภานะแก่คนพิการแล้วทํานํำพาไปส่งให้ถึงที่อย่างเงี้ยกิจกรรมต่างๆ่างอะเนี้ยท่านถ้ามองยิงทุกวันนี่ก็บอกโอ้เห็นคนพิการก็จัดห้องน้ําให้วังนั้นเถอะ จัดรถเข็นให้ว่างั้นเถอะจัดความสะดวกให้จะเป็นผู้นำก็โอ้โหคํานึงถึงคนตาบอดคนหูหนวกและคนเป็นใบคนที่จะข้ามถนนถ น, นทางแรงต่างเนี่ยจัดประเทศดีมากกว่างั้นจะเป็นระดับผู้นำที่เป็นผู้บริษัทธิ์เนี่ยะจะมองคํานึงถึงความทุกข์ของคนทุกระดับเหมือนว่างั้นเถอะอย่างนี้เป็นต้นคนไม่มีศรัทธานี่นะผูะบ้บริษัทธิ์ก็พยายามแนะนําให้เขามีศรัทธาเราเป็นแบบนี้ไหม คนใกล้เราไม่มีศรัทธาปล่อยก็สิอยากไม่มีศรัทธาก็ปล่อยไปแต่คิดอย่างนี้แปลว่าไม่มีอัายาศัยอะไรเพราะบริษัทพระบริษัทไม่ได้นั้นรู้สึกอีคนนี้ไม่มีศรัทธาแต่มาอยู่ใกล้เราไม่สมควรเลยก็พยายามแนะนําให้เขามีตถาคตโพธิศรัทธาให้มีกรรมวิปลาสศรัทธาให้มีกรรมวิสกขาสัทธาไปต้นอะไรเนี้ยก็คือให้เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อทั้งการเชื่อเหตุและผลเป็นต้นอะไรเนี่ยคนเกลียดค้านก็พยายามแนะนําให้เขาเกิดอุตสาหะอีคนนี้เกิดมา เ, ออเกียดค้านเลยเกินว่างั้นเป็นคนที่ไม่มันเพียนเลยเนี่ยก็พยายามแนะนำให้ขยันมันเพียนคนหลงลืมนีคนหลงลืมสติเป็นพวกกลุ่มมุทะสติไปนั่งที่ไหนก็บอเบอะหลงหลงลืมลืมไม่ค่อยตรึกไม่ค่อยคิดกุศลอะไรเนี่ยเพราะบริษัทก็ทนอยู่ไม่ได้กับพวกพวกนี้นะก็พยายามหาอุบายาสกิดบ้างถ้าโดยสรุปก็คือนะั่งนั่ ง, น, งนั่งฟังทได้เห็นพวกหลกวาวก็สกิดบอกฮะ สกิณบอกในรองเงี้ยเนี่ยสกิณบอกเอออย่าหลับนะเนี่ยนี่ฟังเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะเรื่องจริยาวัดของพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นเนี้ย <c oughs> เป็นอย่นี้ไหมคือคือคือ เ, หเห็นเห็นเห็นคนที่หลงลืมสติก็พยายามเห็นคนฟุ้งซ่านก็พยายามแนะนําแนะนําให้จิตเป็นสมาธิเห็นคนไม่มีปัญญาก็พยายามแนะนํานะหาเหตุปัจจัยเขาได้ปัญญาคนหมกมุ่นในกาลมาชันท้พยายามแนะนําให้เขา บอกเพลินเน่กับมาคนบอกมุ่นในพยาบาทนะเห็นที้คนคนนี้เป็นคนขี้โกรธก็พยายามแนะนําให้เจริญเมตตาคนนี้นั่งที่ไหนก็สับประงกชอบง่วงชอบซึมซเศร้าอะไรต่างๆก็หาวบายทําให้เขาออกกิกธีนะมิทะคนที่ฟุ้งซ่านลาคาญใจก็พยายามให้เขารู้จักสงบกายสงบจิตให้เป็นคนมีความลังเลสงสัยนะสงสัยในพระธรรมตรัยก็พยายามแก้ไขเยียวยาเยียวยาเขา อคนที่มีพยาบาทก็พยายามเนนแนะนำไม่ออกจากพยาบาทเป็นต้นคนถูกกาหมวิตกครอบงามพยายามแนะนําให้เขาละกาหมวิตกว่างั้นเถอะอาศัยความเป็นผู้รู้คนที่ที่ทําแล้วของสัตว์ผู้มีประการีก็พูดก่อนเออพระบริสัทจะเป็นคนที่ทักทายเป็นนะครับพูดจาหน้าฟังนะครับใบหน้าก็ยิ้มแย้มผ่องใสไม่ ไม่หน้าตาถมือนถึงว่างั้นเธอยิ้มก่อนทักก่อนพูดน่ารักพูดมบาจ่าน่ารักว่างั้นเธ อ, ค, อคือพูดขึ้นก่อนเจอหน้าใครก็จะทักทักแบบเป็นมิตรไมตรีครับแล้วก็พูดก่อนพูดน่ารักสงเค้อแล้วก็นับถือโดยการทําการตอบแทนเช่นเดียวกันยิ่งกว่าตอบแทนสิ่งเดี๋ยวก็บอกว่าเวลาปฏิบัติต่อสหายพระหมหาบุรุษก็ติดตามช่วยเหลือสหายในพยายามที่เขาเขาเกิดอันตรายนะครับ พระพุทธศาสนากำหนดรู้ตนเองและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นแล้วก็อยู่ร่วมกับสหายเหมือนกับเกลืออยู่ร่วมกันมาปฏิบัติกับสหายเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาให้เขาพ้นจากอบาปอกุศลรู้ว่าเอ๊ะเพื่อนเนี่ยตอนนี้กําลังติดลมอกุศลแล้วกําลังอยู่กับบาปแล้วก็หาอุบายแล้วไม่ใช่ว่าโอ้คนคนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยครบไปครบมาก็ทํำเดบาบอยู่เรื่อยอย่างนั้นเลยหนีทิ้งดีกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ัายาสัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเอ๊ะเพื่อนติดลมแล้วเนี่ยก็หาอุบายในการที่จะแก้ จะช่วยเหลือให้เพื่อนออกจากลมอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลแล้วไม่ใชใ่ตั้งอยู่อย่างอื่นนะไม่ใช่ออเพระาะบริษัทไม่ใยแบบนี้นะยกตัวยอย่างเช่นว่าออพี่ประโพเพื่อนเราเนี่ยมันติดติดยาม마า่หว่างั้นติดบายาบ้าเนี่ยอย่างนั้นเลยเอาเหล้าไปให้แทนนี่นี่นี่เพระพาะบริษัทไม่ไม่แก้ปัญหาแบบนี้เ อ, อต้องระวังนะบระษิษัทไม่แก้ปัญหาแบบนี้หรือหรืออย่างนี้นะว่า เออหลักการเนี่ยเพื่อนเป็นคนเป็นคนที่มันคิดคิ ด, คดไม่คิดไม่เป็นใช่ไหมยังวางแผนชีวิตผิดอยู่อยากก่างนั้นเลยเราใช้วิชาจิตวิทยาทางโลกไปช่วยดีกว่าไอ้นี่พยพวกบริษัทจะไม่ใช่แบบนี้หรอกเพราะรู้ว่ามันมันเหมือนเอาให้เขายกยกแต่อย่างอย่างเงี้ยเอาดีกว่าว่าคนคนนี้เขาทําไงน้อยคนเขาเข้าวัดว่างั้นเถอะให้คนเขาเข้า ว, าดวัาด อย่างนั้นเลยทําวิธีดูหมอให้ดีกว่าเงี้อย่างเงี้ยดูหมอต่อชะตาให้ซะเลยเงี้ยนะพราะโพธิสัตว์ไม่เป็นแบบนี้ครับไม่เป็นเพราะไม่ใช่ไปให้เขาออกจากสิ่งนั้นแล้วมาตั้งสิ่งที่มันไม่ถูกเพราะโพธิสัต์ก็พยายามจะให้เขาตั้งในสิ่งที่ถูกทันทีเลยครับนี่นี่ผมไม่กล้าพูดเจาะบังเรื่องนะนิดๆพวกเพราะทาด้วยไปคิดเองนะว่า ท, ที่ที่อุบายวิธีเนี่ยอย่างโบราณอาจารย์ที่ทํากันมาเนี่ยบางทีมันมันไมไ่ออกได้จริงนะครับ บางทีเป็นอุบายเราเข้าใจว่ากรณีที่ว่าชวนให้มาดูหมอพอดูหมอเบสเสร็จแล้วเพื่อจะให้เขาเข้าถึงธรรมะแต่ไม่เคยสําเร็จสักลายเลยะก็ติดแค่หมอดูหรือบางทีเอาเข้าทรงเข้าทรงนะครับบางทีนะให้เขาไปติดอยู่เข้าทรงแค่นั้นน่ยแต่ไม่สามารถจะให้เขาเดินผ่านตรงนั้นไปได้มันมันไปตั้งผิดที่นะฮะและเราไม่มีชีวิตอายุพอที่ไปแก้ไขปัญหาเขาได้นะครับฉะนั้นพอบริษัทไม่คิดแบบนี้พะบริษัทก็พยายามจะแก้ก็ถูกนะครับแก้ปัญหาให้เขาถูก พอจะมองเห็นใช่ไหมครับอันนี้ในรายละเอียดมันเยอะนะตรงนี้นะท่านพระธรรมทูตก็ไปพิจารณาวิจัยปฏิบทาบริษัทเองนะตอนเนี้ยว่าท่านคือคือจะแก้ปัญหาคนเนี่ยท่านจะกลับกลับให้จากผิดมาเป็นถูกนะไม่ใช่เอาจากผิดมากเอามาผิดน้อยไม่ใช่หรือว่าเออให้มันค่อยๆขยับขยับเข้ามาเนี่ยคือท่านคํานวณ ว, ว่าเออจริงๆแล้วท่านหลุดทําให้เขาหลุดออกมาจะเปาะท่านได้จริงหรือไม่ตรงนี้เป็นต้น อันนี้ก็เพียงเพื่อความเจริญในกุศลอย่างยิ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคือตามรักษาถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าท่านติดตามช่วยเหลือนะไม่ได้ตั้งอยู่อย่างอื่นเพราะความตามรักษาจิตของผู้อื่นของพวกบริษัททั้งหลายอะก็เพื่ออะไรเนะี่ยทำไมทําไมบริษัทจึงต้องตามรักษาจิตของของของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นเป้าหมายก็คือเพื่อให้เขาเจริญในกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่างั้น เขาจะได้เจริญในทานกุศลที่ยิ่งยิ่งศีลกุศลที่ยิ่งย่งสมาธิกุศลที่ยิ่งยิ่งปัญญากุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นงี้จึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ควรทะเลาะไม่ควรให้ถึงความเป็นผู้เก้อเขินเพราะอาทยาใสยนั้นก็ไม่ควรให้เกิดรังเกียจในสัตว์อื่นทําการทักท้วงในฐานะที่ควรข่มเมื่อเขาอยู่ต่ํากว่าก็ไม่วางตนในสูงกว่าเขานี่ผู้บริสัทธ์ตรงนี้สําคัญมากบางทีอยู่ในฐานะที่สูงเด่นกว่าเขานี่ผู้บริสัทธ์ก็วางตนไปไม่เพื่อนเก้อเขินอย่างนี้เป็นนนต้ะ แต่ไม่ใช่ว่าเ um ออถ้าเป็นพระเนี่ยเป็นพระโอ้ไม่ได้แล้วพระโพธิสัตว์ท่านวางตนท่านไม่ทําให้สูงเกินไปอย่างนั้นเลยชาวบ้านก็กินข้าวก็ไปนั่งร่วมวงกินข้าวกับชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้แต่กรณีอย่างนี้เขาเรียกทำไม่ถูกวางตนไม่ผิดวางตนผิดเนแบบเนี้เมื่อเขาอยู่ต่ํากว่าไม่วางตนให้สูงไม่ควรแล้วก็ไม่ครอบบุคคลที่มีคนครอบแล้วก็ไม่ครบมากเกินไปนะแล้วไม่พัมเรือไม่พัมเรือ เพิ่งทราบว่าพระมหาบุรุษย่อมคบสัตว์ที่ควรคบตามสงควรเกรย่ยการรักไม่ติเตียนคนที่รักหรือสารเสริญคนที่ไม่รักต่อนหน้ากับบุคลอื่นนี่อัตฉยาใสของบริษัทเอาถามบอกว่าถ้าเราไม่ชอบใครเราชอบเอาเรื่องของคนนั้นเป็นเล่าคนอื่นฟังไหมพริษัทจะไม่เป็นนะเอพริษัทจะไม่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นเห็เหนเกิดการละแวงใช่ไหมนั้นบ ร, ริสัทจะรักษา รักษาสถานภาพมันตนเองนี่ค่อนข้างดีมากเลวเนี้ยไม่วิวไม่วิสาสะกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมเข้าใจคําว่าไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมเช่นเขาถ้าเป็นพระเขานิมนต์ถูกต้องเนี่ยไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธนะไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปนี่สําคัญมากใช่ไหมรับมากเกินไปกลายเป็นเสียหาย ยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอานิสงส์ของศรัทธานะครับย่อมยินดีกับผู้ที่มีศีลมีสุตตามีจาร่ามีปัญญาสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตเขาหมาุรุษเป็นผู้หลั่งไหลบุญกุศลมหาศาลมีหาประมาณมิได้วังนั้นย่อมเจริญยิ่งๆขึ้นไปวังนั้นอีกอย่างหนึ่งนะท่านตั้งคําถามไว้ด้วยนะว่าศีลคืออะไรเป็นต้นเหล่านี้นะอันนั้นเป็นอัตยาสัยพวกสัตเนี่ยท่านจะวิเคราะห์เรื่องศีลเรื่องสมาธิเป็นต้น ออข้อปฏิบัตินะในอนิสงฆ์ในวาร ล, ล, ลัยนศะีเนี่ยบอกถ้าพระบริษัทธ์จะงดเว้นยังไงปราศจากการยินดีในการบํมเลจะมีคนมาบํมเลมาดูคามาบํมเลท่านยังไงท่านไม่ติดเห็นไหมพระบริษัทจะไม่ติดนะสังเกตดูทุกภพทุกชาติเนี่ยท่านจะรู้สึกเหมือนอย่างที่ว่าเป็นพญานาคเนี่ยพอนางนาคมาบมเลมากมากเข้าท่านบอกเอ๊ะนี่ยทําทให้เราไม่ได้รักษาศีล จากนั้นเลยเนี่ยจะรักษาศีลในพญาในวังของพญานาคโอ้ยนางหน้าก็มารบกวนอย่างนั้นเลยไปรักษาศีลในเมืองมนุษย์ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมกรณีที่ท่านเป็นแบบนี้เพราะไม่ติดครับปราศจากยินดีในการสวนสวนสีนลาห่วงนั้นนะเล่ น, เ ล, นเล่นพูดจายอกล้ออะไรกับมาุคามเป็นต้นเงี้ยบริษัทไม่เป็นแล้วก็ได้ยินเสียงบงั่งระลึกเนืองๆบ้างการบําเรลเนี่นะลักษณะอย่างนี้เพราะบริษัทไม่เป็นนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอัตยาริยพระมหาบรุดเนี่ยย่อมให้อภัยนะครับย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายที่ประพฤติเบียดเบียนนะด้วยด้วยไม่ประพฤติเบียดเบียน ด, ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่บําเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเมตตาแข็งแรงมากครับจเจริญเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเนี่ยถ้าอยู่ณอาสนะเดียวก็จเจริญเมตตาเป็นอัตยาริยนะครับ แสดงออกมาทางกายก็เป็นเมตตากายกรรมครับเวลาพูดออกมาก็พูดแบบเมตตาวาจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดกับใครก็คิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดกระทบกระทั่งใครเลยนี่นี่คืออัธยาสัยของพอระพุทธศาสนาขอเราที่เป็นแบบนี้ครับฉะนั้นอัตคุณธรรมเก่าวคือเมตตาของท่านสูงมากไม่เบียดเบียนใครไม่ว่ากล่าวใครนะวางกันเถอะนี่ลักษณะเมตตาสูงอันนี้สงสีสิประการเนี่ยที่เกิดจึิงก็เมตตาเนี่ย หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเดีท่านจะได้อัยาศัยตรงนี้เต็มไปหมดนะเมื่อว่าพบไหนอ่ะเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เป็นต้นเลยจนยาพิษทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยมีอาพาธน้อยไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนมีสุขมากย่อมถึงลักษณะวิเศษว่างั้นเถอะตัดวาสนาเป็นโทสะได้ว่างั้นคืออัยาศัยจะมองไม่ออกเพราะบริษัทจะไม่มีอาการกโกรธไอไอหน้านิวคิ้วขมวดเนี่ยจะไมจะจะ่จะไม่มีลักษณะของบริษัทจะเป็นไม่ไม่เป็นอย่างนั้น ไม่รักทรัพย์จึงได้โภคะกว่าะงั้นคือด้วยอัตยาสายที่ท่านรักษาศีลแบบไม่รักทรัพย์นี่แหละท่านจึงได้โภคะพอทรัพย์ของท่านมาเนี่ยเอาไว้ที่ไหนจนก็ไม่รักเออนี่ทดลองได้ว่าเรามีบุญเท่ากับโพธิสัตว์หรือไม่ถ้าเรามีทรัพย์ก็ไปวางไว้ข้างๆถนนเนี่ยไม่มีเหลือใช่ไหมล่ะ ไม่มีเหลือเพราะเราอาธยะเขาบุญของเราไม่แข็งแรงถ้าพระบริษัทเนี่ยโจรก็ดีราชาไม่ลิปเปอ้อแปลกนะเกิดมาก็ไม่โดนยึดทรัพย์และทายาทไม่ดีก็ไม่ไมทำไม่ทรัพย์โ น, นเสียหายเป็นที่รักนั่นแหละหน้าคบหามีใจนะแล้วก็ไม่ข้องแวะในสมบัติทั้งหลายเลยนั่นชอบบริจาคไอความที่จิตชอบบริจาคอะจึงละโลผ้าได้ง่าย และไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์นนะเป็นผู้ไม่โลเล่ด้วยคนที่ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์นนะเป็นคนที่ไม่โลเล่แล้วสังเกตดูนะถ้าเราโลเลน่นี่บ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยประพฤติผิดพรหมจรรย์มาเยอะใช่ไหมอันนี้ดียอมผู้หญิงที่รู้จักกันไม่เป็นไรหรอกเอ่ อ, อ, อพระธรรมทวทดรู้ไหมผู้หญิงมีความโลเล่กี่อย่างฮะ อ, อยากรู้ไหมมีกี่อย่าง แต่พอรู้แล้วอย่าไปเทศตำหนิยมผู้หญิงก็นะผู้หญิงเนี่ยมีความโลเลห้าห้ า, ยาอย่างแสดงว่าผิดหวังมาที่ท่านอาจา ร, รย์เพ อ, อถ้าไรนะร้อยเล่มเกวียนมายาหญิง อผู้ชายร้อยเล่ผู้หญิงห้าร้อยเล่มเกวียนอันนี้ท่านอันนี้ภาสิทธิของท่านอาจารย์นะอ่าี่อันอ น, นี้เออผมมีผมมีมมเออผมมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเนะืกุณาละชาดกใครใครอยากจะรู้ใครจะอยากจะรู้จกักมาตุคามไมถ้าใครอยากได้ผมถวายเลย รวบรวมไว้อย่างดีเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงโดยเฉพาะเลยสนใจไหมครับสนใจใช่หมเอออ่านแล้วจะได้รู้จักมาตุขามที่บางทีเนี่ยเวลาเราอ่านผมแนะนำนะครับบางทีมันเป็นอย่างนี้บางทีเราเห็นสตรีเพศเนียครับบางทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาไม่ได้เป็นแบบที่แบบที่เราเข้าใจนะบางเพอเพอเรานั่นแหละ เพราะความเป็นหญิงเป็นชายในสังสารวัตรมันสลับหน้าสลับหลังกันมาตลอดเออให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะจะเป็นชายหรือเป็นหญิงถ้าใครมีคุณธรรมของความโลเลตรงนี้อยู่อันนั้นเขาเรียกคุณธรรมของความเป็นมารุครามแลว้วครับอายกตัวอย่างเช่นโลเลในการเดินทางเนี่ยครับ <S <S เรามีไหม <S <S เดี๋ยวจะไป <S <S เดี๋ยวไม่ไปเนี่ยหรือไปแล้วก็ขึ้นๆกลางๆกลับมากระทันหันก็มีเงี้ยโลเลในการเดินทาง สองโลเลในอาหารอยากจะกินน้นกินนี้คือมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยแม้กระทันหันก็มีอะไรมาตัดหน้าทาั้งๆตั้งใจจะกินอันนี้มีอะไรมาตัดหน้าก็เปลี่ยนกระทันหันเลยเนี่ยโรเลในการกินอาหารเนี่ยเป็นไม่เป็น เ, นเห็นไหมก็ดูว่าเรามีความเป็นคุณธรรมของหญิงมีเยอะไหมแล้วก็โลเลในโลเลในเครื่องประดับตกแต่งเนี่ยครับ โดยเครื่องประดับเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งนั้นทําท่าจะแต่งนั้นก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยโลเลในเสื้อผ้าเอางี้บวชมาแล้วเนี่ยยังอยากจะไปใส่ชุดอื่นอยู่ไหมเย่เางเนี้ยนะเอาท่าชัดๆเลยเอาเงี้ย เ, ยเอางี้เลยอะถ้ายังเพราะเพราะโดยมากเนี่ยคารวะาไว้ว่าหญิงหรือชายโลเลในเครื่องในเสื้อผ้ากันหมดนะ แต่ในสังสารวัตเนี่ยครับเราใส่มาหลายชุดแล้วถ้าเป็นอัธยาศัยของบุตรจริงๆเนี่ยเขาใส่ชุดนี้แล้วเขาจะมาทานเลยนะถ้าตราบใดยังเกิดมาอีกขอใส่ชุดนี้เท่านั้นแหละจนกว่าป ร, ริณิพานธะจนกว่าจประปาริธิพาน์ถ้าตั้งอย่างนี้แปลว่าไม่ไ ม, ไม่โรเล่นะไม่มีความคุณธรรมความเป็นสตรีนะเป็นไหมคิดแบบนี้ตลอดไหม จะไม่ใสอีกแล้วชุดคาราวาทั้งหลายชุดความโลเลคอภัยเนจะใส่ชุดนี้แหละว่างั้นเด้ออันนี้เป็นธงชัยของพระรหารเราจะไม่มีความโล อ, อีกเลยเพราะไอ้ความโลเลของเรานี่แหละถึงไม่พ้นจากว่าจะทุกข์ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ชุดนี้ทุกทบทุกชาติเนี่ยมันจะป่านนี้พ้นทุกไปนานแล้วใช่ไหมก็เพราะเราอยากจะเปลี่ยนชุดอยู่เรื่อยนี่แหละไอ้ความโลเลในเสื้อผ้าโลเลในเครื่องประดับนี่แหละว่างั้นเอาโลเลในบุรุษ โลเลในบุรุษแล้วโลเลในเพศเอาเดี๋ยวคนนี้สวย เ, เดี๋ยวคนนี้งามคนนี้หน้าตาดีโลเลไปเรื่อยถามว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาหนึ่งแล้วเปลี่ยนกี่คนแล้วแล้วเปลี่ยนกี่คนแล้วว่างั้นดูแล้วมันพอไหมเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็ดูในความโลเลเขาเรียกมาดูคำนะจะมีความโลเลห้าประการ อ๋ออ๋ออาศัยที่จริงพุทธศาสตร์นะอยู่ได้พบเพราะมาตุคามใช่ไหมเนี่ยที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ผมพูดเรื่องสภาวธรรมนะท่านอาจารย์นะผมไม่ได้พูดว่าหญิงหรือชายนะผมพูดเรื่องสภาวธรรม ว่าถ้ามีอยู่ในผู้ชายก็ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนหญิงนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่เอ้าสมมติเราเคยเห็นผู้ชายลอยเลือไหมก็เห็นไหมครั บ, บยเยอะแยบะบหมดมเปลี่ยนคู่ครองเป็นว่าเล่นกันเยอะก็มีเมีย ม, ม, มากน้อยอะไง ก็ตรงนี้โทษของการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เอาละต่อไปเราไม่โลเลแล้วพอเราประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่มีโลเลไม่มีเพรั้นความไม่โลเลเนี่ยกลายเป็นพระโพธิสัต์มีกายใจสงบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายนะ <c oughs> ฉะนั้นอานิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะเป็นที่รักนะครับ <c oughs> จะเป็นที่รัก <c oughs> ถ้าถ้าฆราวาสปรารถนาจะเป็นที่รักของคนอื่นก็ ก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เนงะให้รักษาศีลโดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามต่อไปจะเป็นที่รักนะจะกีดกันงามก็จะขจรจะปุ้งไปไม่มิดแล้วต่อไปจิตจะไม่ข่องไม่ข่องแวกเข้ามาดูค <c> ำ <oughs> มีอัตยาใัยไม่โลภมากแล้วก็จะน้อมไปในเนกขมมะแล้วก็ย่อมได้ลักษณะที่วิเศษนะจะมีคือลักษณะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พิเศษ คือจะเป็นคนที่มีลักษณะเด่นนะครับคนที่ประพฤติพรหมจรรย์จะเด่นนะครับอยู่ในที่ประชุมคนก็จะเป็นหัวหน้าคนจะเด่นนะจะลักษณะเด่นหมดแหละนั่นเหตุในอดีตถ้าปัจจุบันยิ่งทําด้วยก็จะเด่นนะครับปัจจุบันนักกรรมจะขับเน้นให้เด่นแล้วก็ตัดโลภะได้ไม่ยากนี่จะเป็นอย่างนี้จะมีลักษณะที่พิเศษออกมาเลยนะคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยฉะนั้นถือศีลเนี่ยถ้าเป็นคารวะเนี่ยแนะนําเลยสมาทานประพฤติพรหมจรรย์เลยนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองเลยโอ้โหอ่ต่อไปจะมีลักษณะที่เด่นแล้วไม่พูดเท็จเนะฮะอธิสงการไม่พูดเท็จเป็นที่ชอบเป็นเป็นที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้และถ้อยคําก็น่าที่เชื่อถือได้นะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของทวยเทพเออคนที่พระบริษัทเนี่ยจะมีลักษณะที่ปากหอมมัปากหอมเออคนไม่พูดเท็จเนี่ยมีลักษณะกมงามอย่างคือไม่มีปัญหาเรื่องปากนะช่องปากนี่ครับรักษาความพืชทางกายทางวาจาได้ดี ก็คือย่อมได้ลักษณะวิเศษก็คือตัดวาสนาตัดกิเลสได้นี่แหละลักนะไม่พูดส่อเสียดคือไม่มีหมู่ที่แตกแยกให้สังเกตดูนะถ้ากรรมที่เราทําไว้ในอดีตเนี่ยไม่ดีเนี่ยพอเรามามีลูกน้องมีลูกวัดมีหมู่คณะอะไรแตกแยกยเรื่อยมีคนมานับถือเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้นี่กรรมส่อเสียดนะเนี่ยเป็นไหมครับเดี๋ยวญาติโยมม า, าทะเลาะกันอีกแล้วญาติโยมในวัด ทะเลาะกันอีกแล้วอะไรอยู่นะเพื่อทะเลาะกันด้วยกันเองไม่พอเนะี่ยเล่นเจ้า ว, วาดก็อีกสงสัว่าเจ้า ว, วาดลําเอียงนะเคยเป็นไหมครับแบบเนี้ยยังไม่เจอเป็นใช่ไหมครับนั้นถ้าใครเป็นเจ้า ว, วาดก็จะมองเห็นชาติโอ้โหปวดหัวหมดแหละเจ้า ว, วาดเนี่ยได้มากผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทะเลาะกัน <Yeah. S 1> ผู้หญิงอีกแล้วเห็นไหมเนะี่ยผู้หญิงก็มาเข้าวัดก็ง่ายทะเลาะ ก, กันตอนน่าพาก็เยอะนี่นะไอ้ตรงนี้ก็ต้องออไอ้ตรงนี้ก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องสังเกตให้ดีนะเนี่ยใช่ไหมล่ะ อ้อแย่งกันดูแลอุปถัมภ์เจ้าวาดีออันนี้ก็ก็ลําบากกันนยมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัตว์ธรรมด้วยนะ น, นี่ก็นี้ก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนี่นะเพราะบริษัทท่านถึงใครพยายามไม่แตกแยกก็ไม่แตกนะครับพยายามยังไงก็ไม่แตกมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัตว์ธรรมมีมิตรที่มั่นคงเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียว ดุจสะสมไว้ในระหว่างพบมากไปด้วยความไม่เศร้าหมองครับนี่เป็นอย่างนี้พราะไม่พูดหยาบนะครับเพราะไม่พูดหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่เป็นสุขพูดเพราะแล้วก็น่ายกย่องเสียงของเขากประกอบด้วยองค์8ดคือพระโพธิสัตว์นี่นะเสียงประกอบด้วยองค์8ดก็คือเสียงนุ่มกล้องกลางวานไม่พร่านี่แม้อธิสงการไม่พูดหยาบเนี่ยคำว่าพูดหยาบนี่หมายถึงเอาตัวอะไรเป็นเกณฑ์ บางคนเนี่ยพูดกูกูมึงมึงเนี่ยเรียกว่าหยาบไหมหยาบเอาตัวไหนเป็นตัววัดเนะญญาะเอาตัวโทสะเป็นตัววัดถ้ามีโทสะแล้วเรียกว่าหยาบครับมีอกุศลพูดด้วยอกุศลเนี่ยพูดพูดหยาบนะฉะนั้นถ้าพูดด้วยเมตตาเนี่ยแต่ว่าพูดด้วยภาษาภาษาบ้านเราเนี่ยนะก็แม้ถ้ายัางโคราดก็ดใช่ไหมนะโกูมึงกันงั้นใช่ไหมล่ะภาษาโคราดเนี่ย ไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าเคารพยกย่องของสัตว์ทั้งหลายมีถ้อยคําที่ควรเชื่อถือได้พูดพอประมาณเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นและความเป็นผู้ไม่โลภนั่นแหละจึงมีราบสากายะละเยอะเพราะไม่โกรธนั่นแหละจึงเป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่เห็นผิดการไม่เห็นผิดจะมีมิตรที่ดีนะแล้วก็ถึงแม้จะถึงตัดศรีรษะก็ไม่ทํากรรมชั่วเนี่ยลักษณะนี้ก็เป็นคนฉลาดในการกําหนดลักษณะ ก็คืออนิจังทุกขังหน้าตาเป็นต้นเออตัวนี้ถ้าใครมีใครมีปัญหาก็ถามเลยนะครับช่วงเวลาผมจะบรรยายไปเรื่อยๆถ้ามีปัญหาถามเลยนะนะครับถ้าใครจะถามปัญหาถามได้เลยเหลือสามสิบนาทีเหลือยี่สิบห้านาทีอา น, นิมตนครับ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะสรุปแล้ <c oughs> พวพรุ่งนี้การสรุปคงคงไม่ทันจบแต่ก็ก็พยายามเจาะสักสองสามประเด็นนะครับ อันนี้มนต์ครับท่านครับขอโอกาสกับอาจารย์อาจารย์สองประเด็นสั้นประเด็นแรกนี่อาจารย์อาจจะยังไม่ยังมยยไม่ใหญ่ไปถึงเพาวันนี้เรื่องเรื่องตีดแต่เท่าคือเรื่องบา ร, รมีต่างๆผมว่าคืพอรด้ตออนะว่าท่านบำเพ็ญทานยังไงบำเพ็ญบา ร, รมีศิลบา ร, รมียังไงแต่พอมาได้ถึงว่าปัญญาบา ร, รมีเนี่ยเอพิธีการบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีเนี่ยอาจารย์อาจจะ อยู่มีเกี่ยวพูดก็เลยถามเอื่อไว้เพราะมันมีความรู้สึกว่ารูปธรรมของการปฏิบัติอย่างสมมติถ้าในาพระเจ้าติฆาอย่างเมื่ไม่อตอนเช้าพระอาจารย์ยกถึงสุดบัณฑิตเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาแต่ว่าจะบําเพ็ญยังไงให้ปัญญาเราเพิ่มเงนี้จะไม่เห็นภาพลักษณะเนี่ยนะอันนี้อันนี้อาจจะถามไว้อ๋อตรงนี้ก็ตอบตรงนี้เลยนะครับเรื่องการบําเพ็ญปัญญาบา ร, รมีของพระโพธิสัต์เนี่ย เอออัจฉริสัยของพระบริ ษ, ษัทในการบำเพ็ญปัญญาบารมีของท่านเนี่ยท่านจะถือการเหมือนพระถือการบินทบาทเป็นวัดนะครับฉะนั้นถือเหมือนเหมือนพระถือการบินทบาทเป็นวัดพระที่ถือการบินทบาทเป็นวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางชนเออชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นต่ําต้อยเนี่ยจะเป็นยาจกวานิพกทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าหาหมดนะครับ ฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดที่มีความรู้มีความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ยท่านก็จะเข้าไปสอบถามเข้าไปสอบถามนะครับเข้าไปสอบถามเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปวิจัยเพื่อจะเรียนรู้ไม่ได้แยกแยะว่าท่านบุนนั้นจะเป็นคนต่ําต้อยเป็นคนปลนกลางหรือเป็นคนชั้นสูงจะเป็นคนพิกลพิการอย่างไรก็แล้วแต่แล้วท่านจะเคารพครูนะครับเคารพครูอ่อนน้อมต่อครูประพฤติปฏิบัติต่อครูเนี่ยแต่ว่าท่านก็จะเข้าคบหาบัณฑิตจริงๆเลยนะ และอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ว่าเมื่อท่านศึกษาทําความเข้าใจเบืดเสร็จมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเจาะทะลุดทะลวงนี่ก็คือท่านจะมาวิจัยในเรื่องของขันในเรื่องของธาตุในเรื่องของอายตนะในเรื่องของปฏิจจสมุปาสิ่งนี้เป็นต้นนะในเรื่องของหลักคําสอนทั้งหลายเหล่าเนี้ยฉะนั้นก็คือหลักการต่างๆเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าก็ท่านเดินปัญญาบา ร, รมีของท่านยังไงก็เนี่ยหนึ่งลำดับแรกในการ บำเพ็ญบารมีที่ผ่านมาในลำดับก็คือว่ารู้ว่าท่านผู้นี้หรือผู้มีความรู้อยู่ที่ไหนท่านตั้นต้นไปครับท่านตั้นต้นไปแสวงหาไม่ท้อถอยไม่ถอนความตั้งใจแม้จะไปเฝ้าไปคอยไปอุปถากไปดูแลยังไงถ้ารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตแล้วไม่ปล่อยเวลาให้เสียเลยครับไม่ปล่อยในลักษณะของการบำเพ็ญปัญญาบารมีที่ท่นสูงมากถือการบินตบหิวกระหายครับเหมือนเหมือนคนหิวเหมือนอาหารถ้าเราบอกว่าถือการบินตบเป็นวัดนี่เราอาจจะมองไม่ออก คืออาหารเนี่ยเป็นความจําเป็นกับชีวิตของท่านฉะนั้นถ้าวันใดท่านไม่ได้กินอาหารเนี่ยท่านอยู่ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยสัตว์อื่นก็ดีหรือในการที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านนี้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปฉนั้นถ้าเรื่องปัญญาเบีดเสียดเนี่ยท่านท่านไม่ละเว้นเลยนะท่านสแสวงหาปัญญาแบบขมักข ม, มันเอาจริงเอาจังมากนี่นี่ากหนังการสแสวงหาปัญญาของท่าน ปรเนนะคถามต่ออีกนิดนึงมันมันสืบเนื่องกันฮนะก็ <c oughs> คือถ้าเกิดอย่างบรมีติเนี่ยนะอย่างที่พระอาจารบรรยายมาเนี่ยก็คือก็เห็นชัดนะว่าท่านบาเพ็ญบรมีมาอย่างมากอย่างสุดสินี่ลักษณะาาของบรมีเนี่ยที่พระอาจาราทั บ, บําเพ็ญครบเต็มบริบูบรณ์เนี่ยก็จะนําไปสู่การสัตว์รูทหรเราพู ด, ดง่ายๆคือการบรรลุอนุตต ร, รธรรมะสำโภติยาน การบำเพ็ญบารมีก็เหมือนกับการเติมน้ําในติกถ้วยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่ไม่ทราบเปรียบเทียบถูกนะต้องนะแตี้สมมุติว่าถ้าถ้าสมพระชาสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรเนี่ยท่านก็บำเพ็ญทานบารมีรวมทั้งอื่นๆที่ไม่เด็ดรวมไปด้วยแล้วพอหลังจากนั้นพอท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายศรีทศกัณฐ์เนี่ยคือคือคําถามผมก็ว่าอะไรที่ยังท่านยังขาดอยู่ทําให้เหมือนกับ เต็มแล้วเมื่อครบสิบชาตนี่นนก็ยังไม่บรรลุธรรมการบรรลุธรรมเหมือนกับต้องการอะไรอีกสักอย่างที่นอกเหนือจากการเต็มทั้งสิบแล้วเนี่ยมันเหมือนอะไรที่ยังคื อ, ค, อคือพอเราเติมเต็มทุกอย่างก็น่าจะเต็มพอดีแต่มันกับว่ามันยังขาดอะไรจนต้องรอท่านมาถึง oh. ถึงอายุสามสิกปีบำเพ็ญทุกประยามาอหกปีบวดมาหกปีอะไรเงี้ย น, รนตรงเนี้มันคืออะไรที่ทําให้พระโพธิสัตยังไม่บรรลุธรรม คือตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วบา ร, รมีท่านเต็มแล้วในกรณีที่ท่านไปรออยู่ชั้นพบดุสิต ท, ทีนี้การเต็มแล้วเนี่ยมันมีก็หนึ่งเวลายังไม่ถึงบางทีมันเต็มเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนอะเอางนี้ว่าเหมือนราชกุมาร น, นะครับไปศึกษาวิชาการอะไรต่างๆครบบริบูรณ์ในกรณีที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเมรินได้แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาก็าต้องรอไปยังไม่ถึงเวลา ไอค้คำว่ายังไม่ถึงเวลาในขณนะนั้นก็หมายความว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากบา ร, รมีเต็มอันนั้นถูกต้องต้องเต็มบริบูรณ์ทุกบา ร, รมีถูกต้องแล้วก็ต้องมีไอ้ถูกต้องมาบริบูรณ์จริงๆก็คือน่นแหละในพระชาติที่สระพระนามัตสีนั่นแหละเพรางั้นเธอเป็นมหาบริยากาเนี่ยแหละเพาะงั้นเธอบริยาบุตรภรรยาเป็นต้นนั่นแหละนี่มีแปลว่าปิดแล้วปิดมุมแล้วนี่รอแล้วรอเวลา ทีนี้พอรอเวลาเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูว่าออการรอเวลาท่านก็มาพิจารณาทวีปอายุอะไรต่างไล่มาตามดับนั่นแหละถึงว่าเบสเสร็จมาเบสเสร็จปุ๊บก็ถ้ายังไม่ถึงเวลาท่านอุปมาเหมือนข้าวนะครับที่ได้เคยอุป ม, มาไปแล้วข้าวเนี่ยนะที่มันปลูกลงในดินเนี่ยถึงแม้ว่าให้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินไร่บริบูรณ์เบสเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกรวงเก็บเกี่ยวมากินได้ก็ยังไม่ถึงนี่เหมือนกัน ในบรรดาของการบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยนอกจากบา ร, รมีเต็มแล้วเนี่ยระยะเวลาคําว่าสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับไอจำนวนนี้ต้องเอามานับด้วยสมมุติว่าแหมบําเพ็ญถ้าเต็มก่อนเลยเงี้ยเต็มก่อนเลยเอาเวลายังไม่ถึงอะ่ะเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนบอกว่าร้อยวันอย่างเงี้ยแต่คุณทํามาเจ็ดสิวันอย่างเงี้ยเจ็สิวันนี่เต็มบริบูรณ์เบสเสร็จแล้วคุณต้องรออีกสาิวันนะนี่เวลา เหลือรอเวลาอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นรอเวลาอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กรณีถา ม, ถามบอกว่าบา ร, รมีนั้นเด่นทุกบา ร, รมีนะครับที่จริงพระเอิญในพระตรีปิฎกเนะี่ยท่านขับเน้นทานบา ร, รมีศีลบารมีไว้มากใ น, ในแต่ว่าจริงๆถ้าเจาะลึกจริงๆนั้นเพียงแต่ว่าผู้บรรยายเนะี่ยผู้ที่ทําความเข้าใจนะนะั้นในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะหยิบยกมุมไหนขึ้นมากล่าวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า มนัสิการถึงปัญญาคุณว่าทำทั้งหลายถามว่าทานบารมีศีลบารมีเนคขมะวิริยะบารมีเนี่ยขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเบคะบารมีเว้นปัญญาได้ไหมครับเว้นปัญญาล่วงเลยนะครับถ้าทานบารมีไม่มีปัญญาเป็นบริจาคเล็กง่ายท้องเลยครับไปไม่ถูกนะทานบารมีก็จมเข้าลกเข้าพงนะครับศีลบารมีไม่มีปัญญานำมันกลายเป็นศีลรปตะตาปรามาดกับเยอะ เนคขม้บา ร, รมีนะไม่มีปัญญานำนะมันกลายเป็นการออกนอกลูก่นอกทางไปเลยพวกมันเป็นเนคขมาเวริย่าบา ร, รมีถ้าเพี้ยนเนะี่ยพุทธเจ้าต้งบอกว่าไม่รู้อย่าขยันพังเนะนี่ะนั้นปัญญาต้องรู้ก่อนปัญญานำหน้าเป็นบริจาคเลยนะี่ยสัจจะบา ร, รมีเนะี่ยไม่ใช่ตั้งสัจจะแบบมุนสัอย่างโจรเงี้ยไม่ใช่แต่สัจจะก็มีปัญญานํานั้นทุกเรื่องเนะี่ยจะต้องเอาปัญญาไปเกี่ยวข้องหมดเลยครับ แม้เมตตาเห็นไหมถ้าเมตตาขาดปัญญาท่ำเพื่อไหมยกตัวอย่างเช่นเมตตาแต่เพื่อพือเลยเงี้ยขาดปัญญาเอาสิที่สุวนจริงกายเป็นเราทำให้เขาอ่อนแอนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นปัญญานั้นน่ะเป็นประดุดดังไงเหมือนอะไคือต้องผสมประสานทุกบารมีและแลจะต้องเด่นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยแต่เพียงว่าจะขับเน้นไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการวิจัยเรื่องทานเนี่ยครับวิจัยเรื่องทานใช่อะไรวิจัยอ่ะ ป <ST> S> <S ัญญานะคะวิจัยอนะ่ะทั้งจะแยกแยะปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจได้งไงว่ากรณีอย่างนี้การให้อย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้ได้รับอนิสงส์อย่างนี้นี่เป็นเรื่องของปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นถ้าถามบอกว่าทำทั้งหลายเนี่ยทานบา ร, รมีนั้นอ่ะถ้าไม่มีปัญญาเข้าเกี่ยวข้องบริสุทธิ์ไม่ได้ศีลบา ร, รมีไม่มีปัญญานําหน้าก็บริสุทธิ์ไม่ได้เนคขมะบา ร, รมีไม่มีปัญญาไปเกี่ยวข้องก็เนคขมะก็บริสุทธิ์ไม่ได้ เป็นต้นย่อมไม่สามารถขวนขวายตามสภาวะของตนเองได้ต้องอาศัยปัญญาบา ร, รมีไปเหมือนอย่างวาสรีลาย น, น์นะเว้นชีวิตถ้ า, ถามว่าเอางี้เออเอาสมมติท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์พระครูที่นั่งข้างหน้าถามว่ามีร่างกายบริบูรณ์เบสเสร็จปุ๊บแต่ตายอครับไม่มีชีวิตนะงามไหมครับไม่งามรถเนี่ยโอ้ยงามมากเพางั้นรถคันนี้งามมากแต่เสียอย่างเดียวแหละมันขับไม่ได้ อันเดียวกันเลยครับคือว่าบา ร, รมีทุกบา ร, รมีเนี่ยถูกขับเคลื่อนให้ถูกทิศถูกทางด้วยปัญญาครับฉะนั้นทุกบา ร, รมีเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนถึงจะเดินเดินไม่หลงทิศหลงทางฉะนั้นตัวปัญญาจริ ง, รงๆเด่นทุกบา ร, รมีนั่นแหละแต่ว่ า, าฝากพระธรรมทูตกันแกันเพราะฉะนผมไม่ได้เน้นตัวนี้ไงพระธรรมทูตจะต้องไปวิจัยเชิงลึกให้เห็นพระเบรมบารมีธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเออปัญญาบา ร, รมีเนี่ยมาเป็นเหมือน สรีระยนคือร่างกายเนี่ยขาดชีวิตอยู่ไม่ได้วงั้นขาดชีวิตอยู่ไม่ได้ชั้นใดบรารมีทุกบรารมีขาดปัญญาแล้วเดินไม่เป็นเดินไม่ได้มันจะเดินผิดทางครับมันจะเดินไม่ตรงสัมมา ส, ญญสัมปอริยาณสิเพราะตัวปัญญาเป็นตัวเจาะทะลุดูลงความจริงของชีวิตแล้วก็สามารถที่จะนําไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่จะแทงตลอดความจริงก็คือแทงตลอดอนุปราอนุปาทานปณิพานเป็นต้นใช่ไหมถ้าอย่มองเห็นอะไอยังแต่นี้นะครับฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญฉนันต้องบอกว่าบอกว่าไม่สามารถจะบัดในกิริยาของตนได้ชันใดอินทรีย์ทั้งหลายนะถ้าถามมาดูอินทรีย์นะต า, นตาเนี่ยครับตานี่นะถ้าไม่มีตัวจักขูยิญญาณ น, นะครับ ไม่มีจิตนะครับมีตาก็ไม่มีประโยชน์นีน่ก็ไม่ไม่ทําจิตได้อินทรีย์ทั้งหลายเนะีถามว่าศรัท ธ, ธ า, าครับศรัท ธ, ธาคือความเชื่อใช่ไหมวิริยะคือความเพียรใช่ไหมสติคือการระลึกได้สมาธิคือความตั้งมั่นถ้าขาดปัญญาไปได้ไหมเห็นไหมเนี่ยไปเด่นตรงปัญญาถ้าถามว่าตถาคตโพธิศรัท ธ, ธาเนี่ยเป้าหมายคือเพื่ออะไร เพื่ออะไรครับเพื่อปัญญาต้องพัฒนานี่ตรงนี้เรฝากพระธรรมเทศไปว่าวิธีนําเสนอพระธรรมให้กับชาวพุทธก็คือว่าบอกให้เขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ต้องไม่ให้เขาจมอยู่แค่ศรัทธาต้องพัดเอาศรัทธามาเป็นฐานพัฒนาไปสู่ปัญญานะครับพัฒนาไปสู่ปัญญาให้ได้เนี่ยชาวพุทธเราติดหล่มตรงที่ศรัทธาทนี่แหละท่านอาจารย์ ที่ไม่สามารถพัฒนาให้เข้าไปสู่วิริยะเป็นฐานของวิริยะวิริยะเป็นฐานของสติสติเป็นฐานของสมาธิสมาธิเป็นฐานของปัญญาได้คือเราไปติดกันตรงที่ศรัทธาแล้วก็เพี้ยนกันเพี้ยนหลงทิศหลงทางหมดเลยเนีย้ฉะนั้นจะต้องไปจุดประทีปคือตัวปัญญานำพาพุทธบริษัทเนี่ยนะของพระสามานุว์่คือว่านี่คือเป้าหมายของพุทธศาสตร์สนาว่าพัฒนาอย่าจมอยู่ที่ศรัทธาว่าน้น พัฒนาไปสู่เป้าหมายถึงปัญญาได้เพราะปัญญาเป็นตัวชี้ขาดว่าอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมครับเพราะพุทธบริษัทของเรานี่แหละขาดขาดตัวนี้มากขาดตัวที่ว่าไม่สามารถที่จะเอาศรัท ธ, ธาเป็นฐานก้าวไปสู่ปัญญาก็เลยไปเกิดเกิดติดตันอะไรต่วเนี้ยนัเข้านักเข้าเราจะเห็นกลุ่มนะครับใช่ไหมท่านอาจารย์เห็นชัดเลยไหมเห็นจะเห็นกลุ่มเยอะหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาระหนักของพระธรรมทูตนะครับ ภาระหนักเลยทีเดียวอ่ะที่จะทําไงที่เราจะนําพาอง ค, ค์คาบยบของพุทธบริษัทมีพิษสูเป็นต้นเหล่านี้ยพัฒนาจากศรัทธาเข้าไปถึงปัญญาให้ได้เพราะพุทธศาสนาขับเน้นที่ปัญญาพทธเจ้าขับเน้นที่ปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวสัมมาสัมพุิธญาณคือปัญญานะครับสัมมาสัมพุทธญาณนี่คือปัญญานะครับปัญญาที่แทงตลอดความจริงเนี่ยปัญญาจึงเป็นใหญ่ในการปฏิบัตินะเช่นปัญญาเป็นใหญ่ในการให้ปฏิบัติในทานบารมี เป็นใหญ่ในการปฏิบัติในศีลนบารมีเป็นใหญ่ในการปฏิบัติในธรรมบารมีครับเป็นใหญ่ในการปฏิบัติวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีชั้นปัญญาจริงจัเป็นไก่เออเป็นใหญ่นะครับเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่ในการปฏิบัตินั้นพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายในผู้มีปัญญาจักษุเนี่ยอันลืมคือเปิดขึ้นมาแล้วมีปัญญาจักสุอันเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้กระทั่งอวัยวะใหญ่ภายในตนได้นี่เรื่องปัญญานะครับไม่ใช่ให้ด้วยความหลงความงมงายเนะะนี่ยให้ด้วยปัญญาเป็นผู้ไม่ยกตนของผู้อื่นปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังว่า ง, งั้นเถอะว่า ง, งั้นดุดต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นนั่นแหละเป็นผู้เกิดสมนัติในสามการคือพระโพธิสัตวนะ์เนี่ยท่านเพราะมีปัญญานี่แหละยกตัวอย่างเช่นนะ่ะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยสมนัติได้ยังไง ค, คนเจาะตาตัวเองออกไปนี่ครับ สมณัติก่อนให้ขณะให้หลังให้ได้เนี่ยนีเรื่องปัญญาเลยนะเหมือนเราให้ของที่รักนะครับมีของที่รักแล้วไปให้เนี่ยเช่นเรามีแหวนสักวงหนึ่งเนี่ยพระคารวาดเนี่ยนะรักมากเนี่ยแต่เราจะไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหรักมากอะ่ะก่อนให้ต้องปลื้มใจได้นี่คือปัญญาเห็นคุณนะครับขณะให้เรื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับยานปัญญาตัวเนี้ยทุกเรื่องนะทุกเรื่องก็คือปัญญาสําคัญ เออปัญหานี้ถามได้ดีถามได้ดีทําให้มองเห็นภาพเริ่มจะเห็นขึ้นใช่ไหมครับว่าปัญญามีความสําคัญอย่างนี้แหละครับอ่าอีกหนึ่งปัญหาครับอ น, นอนิมลครับครับขออนุ ญ, ญาตประเด็นประมวลอาจารย์ครับอ่าได้ทราบมาว่าองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์กี่ข้อสุติเนตตาปัญญาทันตินะครับกับบารมีสิบขั้นเนี่ยพยายามจะ แต่ต้เดียวฟังประเด็โทพระอาจารย์จะว่าก็ยังไม่ได้ยินกล่าวถึงด้วยว่าไม่ใช่นะครับขอความเมตตาแล้วก็ติดน่อยอ ะ, อะไรอะไรนะทบทวนอีกอีกอีกได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์ที่อยู่สี่ข้ อ, อืสุที่เมตตาปัญญาสันติกับบารมีสทิทธัตถิพระอาจารย์บรรยายมานะครับนเป็นตัอย่างกันหรือว่ารวมแล้วอยู่ในสี่ข้อใหญ่นี่อย่างไรครับ อ๋อตรงนี้ตรงนี้เรื่องของไอย่อลงสีน่นี่นี่ยังยังไม่พบหลักฐานนะครับยังไม่พบหลักการอะไรนะสุดที่อ๋อสุดที่ ท, ท่านท่านมาใช้สัหรัท่านเองมัง้งสุดที่ในที่นั้นหมายถึงบริสุทธิ์หรือเปล่าเออมันมีอยู่ในหนังสือองค์มาตมกัตติบแล้วก็เป็นตัวพระไตรปิฎกรึเปล่าครับ แต่มีบอกที่มาอยู่ครับออตอนนี้จำไม่ได้ครับเ อ, อลองไปดูดูอีกทีแล้วก็ลองมาถามไอ้กรณีตรงนี้อาจจะท่านอาจจะไปเปลี่ยนศับนะครับอาจจะไปเปลี่ยนศัพ์ก็ได้แต่แต่ตั ว, ต, วตัวองค์ของบรารมีจริงๆเนี่ยท่านท่านสรุปย่อลงไว้มีนะท่านสรุปย่อลงมามีจริงๆอย่างที่ถามมาสักครู่เนี่ยแต่เดี๋ยวลองเอาไปตัวเอาบาลีมาตรวจสอบกันดูอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าเออท่านใช้ศัพท์ไหนบางท่านแต่แต่กรณีที่พูดอย่างที่พระถามวันก่อนเนี่ย ว่ากรณีที่จะพูดถึงพวกเมตตาก็ดีพวกปัญญาก็ดีพวกมหากรุณาธิคุณก็ดีจริงๆแล้วน่ยก็รวมอยู่อันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเท่าที่ฟังนี้ก็คือว่าน่าจะจัดสงเคราะห์ลงได้มีอยู่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นอัธยาศัยสีประการมมะะเ น, น, นี่ยอมมัตต า, าเป็นต้นเหล่านี้อวัธานะเป็นต้นน่ยจนถึงรวมไปถึงขีตจริยาเป็นอันนั้นหรือเปล่าเพราะมันยังสงสัยอยู่ใช่ไหมที่พูดถึง4ประการน่ย เกี่ยวกันในเรื่องของอัธยาสัยของบริษัทเนี่ยสประการน่ยอันนั้นก็คือนั่นแหละบารมี10นั่นแหละครับก็จริงๆแล้วคือบารมี10จริงๆเ่ยก็ย่อลงมาจริงๆก็คือ3คือศีลสมาธิพัญญาเรานี่แหละว่างงา น, นก็คือกลุ่มคุณธรรมอย่างนี้ท่านย่อเป็น4นั่นก็ดูแล้วก็ก็น่าจะจะไม่ตาม่างไอ้ตรงนั้นนะครับน่าจะไม่ตาม่างก็ไม่ทราบวมีมีท่านผู้ใดอีกอีกไหมเหลือเหลือ5นาที คือจริงๆตรงนั้นที่ถามมาเกี่ยวในเรื่องของอภินิหารอภินิหารของพระโพธิสัตว์ก็มีจริงที่4ประการนั่ะนะปัจจัยสี่ประการนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วอะไรนะถ้าจะถามปัญหาว่าโอโอในกระดาษลืมไปอขออภัยนะเมื่อกี้ผมเลยวางทับไปลเลยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรกับคุณธรรมของพระอริยะจะเปรียบเทียบอย่างไรอ๋อคืออย่างนี้ครับออคุณธรรมของพระอริยะกับคุณธรรมของพระโพ ธ, ธิสัตว์ ถ้าคุณธรรมของภรรยาเนี่ะยภรรยาทัานรักิเลสได้ครับทันรักิเลสได้เออถ้าเปรียบเทียบเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาแบบอุกฤษเลยจะเห็นชัดนะครับคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะตนแต่เป็นยิ่งใหญ่แก่สัตว์โลกในจักรวาลทั้งสิ้นนะครับแต่คุณธรรมของภรรยาเนี่ยเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวท่าน ที่ท่านสามารถละราคาโทสะบูหะได้โดยเป็นสมุทเฉทาบหานนะครับเออทีนี้อายกตัวอย่างอย่างนี้จะเห็นชัดด้วยในวันที่พระโพธิสัต์เนี่ยเอ่อมาถือปฏิสันที่ในคันของนางสิริมาพยาเออในวันประสูตรดีกว่าในวันประสูตรเนี่ยในวันที่พระโพธิสัต์ประสูตรออกจากคันพระมารดาที่ลุมินีวันเนี่ย่ที่ลุมินเดเนี่ยในวันนั้นน่ะเท้า ah ท เ, เท้ามหาราชทั้ง4เออเท้าเออเท้ามหาพรหม ข้ามหาราชนะทั้งสี่เอ่อเท้าพรมนะครับพรมในสุดทาวาสมาถือตะข่ายทองคํานะครับพรมในสุดทาวาสมาถือตะข่ายทองคํารองรับนั้นเนะ่ยพรมนั้นเป็นพระหลานครับเป็นพระรหลานแต่พระบริษัตยยังเป็นบุรุชนนะครับดูตรงนี้นะว่าเาคุณธรรมเนี่ยมองมองคนละมุมถ้าถามว่าทําไมพระรหลานจึงมารับใช้บุรุชน อันนี้ไม่ใช่เรื่องบุตรชนแล้วที่ท่านมาต้อนรับนะท่านมาต้อนรับสัมมาสัมโพธิญาณเพราะท่านผู้นี้มายังไงยังไงก็ต้องได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนฉะนั้นเทวดาเนี่ยในหมื่นจักรวาลรู้กันก่อนรู้กันก่อนที่ท่านผู้นี้จะมาตัดสู้เพราะท่านดูการบําเพ็ญอย่าลืมนะว่าอายุข ข, ของพรมนี่มากมากมายจะไม่เป็นหลายหลายหลายหลากลับท่านก็เห็น เหมือนพวกเราทําอะไรอยู่เนี่ยอย่าคิดนะว่าจะรอดพ้นสายตาของของพรหมหรือรอดพ้นจากสายตาของสัมมาทิฏฐิเทวดาทั้งหลายนะครับไม่รอดพ้นเราแต่เพียงเราไม่ทราบเท่านั้นแหละนี่นะครับถ้าพูดถึงในข้อข้อเท็จริงตรงนี้เราจะเห็นมุมตรงนี้พอมาต้อนรับเบดเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีการทอดรับกันมาเป็นทอดจนถึงถึงไอ้ที่ว่ามนุษย์ต้อนรับนั่นแหละแล้วท่านก็เดินใช่ไหมครับพอท่านเดินเก้าที่1นก้าที่2อสา ถึงเก้าที่เจ็ดปุ๊บแล้วท่านก็ยืนนะครับแล้วท่านยืนเบสเสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะที่ท่านมองไปน่ะโลกเป็นอันเดียวกันเลยอ่ะบอกงั้นเถอะมองไปทุกทิศแล้วท่านก็เปล่งเปล่งอาสพิวาจาก่อนที่จะเปล่งท่านคิดยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าไม่มีใครเสมอท่านไม่ว่ามนุษย์เทวดามารพรมที่อยู่ณที่นั้นทั้งหมดหรือตลอดโทษจักรวาลทั้งหลายท่านถึงเปล่งอาสพิวาจาบอกว่า เราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้บวชเสริฐเราเป็นที่สูงสุดเนี่ยบุคคลเสมอท่านไม่มีคําว่าเสมอท่านไม่มีเนี่ยในในในคุณธรรมที่ท่านบําเพ็ญมาทั้งหมดนะศีลเนี่ยจริงอยู่ศีลพระอริยะบุคคลเป็นศีลพิเปรโลกุตตะละจริงยอมรับสมาธิก็ได้ระดับโลกุตตะละปัญญาก็ได้โลกุตตะละแล้วคุณธรรมของพระพระยแต่ถ้ามองว่าที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญศีลบารมีมาเนี่ย ฐานความกว้างใหญ่ความมหัศจรรย์ความไพศาลของศีลเทียบท่านไม่ได้นั้นะระดับโลกิยะก่อนนี่นะและท่านจะต้องไปได้โลกุตราศรีลแน่นอนท่านจึงบอกบุคคลที่เสมอท่านไม่มีบุคคลเช่นเราไม่มีแม้ในเทวโลกและพรหมโลกว่า<ม>งั้นก็ผ้าหันมาอยู่ตรงนั้นทำไมท่านกล้าพูดคานั้นใช่ไหมบุคคลมองเห็นท่านประดุษ ด, ดังอัก คนอายุ16บหกปีเออตรงนี้จะได้มองเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณธรรมของภรรยาเนี่ยเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวเฉพาะตัวที่ท่านละราคะได้จริงๆเป็นสมุเทเฉทประหารแล้วก็โทสะโมหะก็เป็นสมุเทเฉทประหารแล้วท่านก็มีอนุปาทานนี้นิพพา น, เ, นเป็นที่ไปแน่นอนไม่ใช่อีกอย่างหนึ่ง ตอนที่ท่านได้รับพยากรจากท่านพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าพร้อมได้พระลหันสี่แสนเนี่ยประทักศินท่านนะครับประทักศิลก็คือเคารพพระพุทธเจ้านั่นเองอถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าโอ้เนี่ยถ้าถามบอกว่าจริงอยู่ในด้านราคะตัวสามโมหะในใจท่านยังมีอยู่เหตุผลนะอย่าลืมนะท่านจะประหารเมื่อไรก็ได้ถ้าจะไม่ท่าจะประหารในฐานะเป็นปกติสาวก หรือเป็นพระปเจยพระพุทธเจ้าแต่เงื่อนไขที่ท่านต้องรอเวลาเพราะท่านต้องเอาทั้งการสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเทียบคุณธรรมที่สั่งสมมาทั้งหมดจากองค์าไปยบใน20สิประสงค์ไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับบ้างสี่สิประสงค์ไขหรือ80ดสิบประสงค์ไตามปัญญาธิกะวิริยะทิฏกะหรือศรัทธาธิกะเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าคุณธรรมของภาริยะกับคุณธรรมของพอระโ พ, พธิสัตว์นั้น ก็คือคุณธรรมนั่นแหละแต่ว่าปณิธานหรือความกว้างใหญ่ไพศาลต่างกันนี่นะมองมองให้เห็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าถามบอกว่าระหว่างปฏิทุสลายเนี่ยเอาเนี่ยนะปะทุสลายนะพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วสมมุติเงี้ยนะกับไปคิดปฏิทุสลายกับพระอริยอริยบุคคลเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยท่านใช้คำว่า ท่านไม่ไม่เทียบไว้นะครับท่านไม่เทียบไว้แต่ถ้ามองก็รู้นะถ้ามองแบบลึกๆเลยเนี่ยจะตอบแบบไม่ต้องเกรงใจแล้วระดับพระบพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วในคุณธรรมยิ่งใหญ่แน่นอนนะนะเมื่อเราเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลระดับที่ท่านโดยมากท่านจะไม่เทียบไว้สังเกตดูไหมว่าถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งสามประการเนี่ยถ้าถามว่าใครมีคุณมากกว่ากาัน ถ้าไปเจอปัญหาอย่างนี้นะอันนี้เขาจะไม่แยกท่านจะไม่แยกแยะนะท่านจะไม่แยกแยะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านใช้คําว่าอัปมาโนพุโทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆหาประมาณไม่ได้นะตรงนีน้ตรงนี้ต้องตง้อ ง, งจับประเด็นให้ถูกถ้าเราไปแยกแยะว่าโอ๊ยไปประทุษร้ายพทธเจ้ามีมากกว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นไปไ ป, ไปหมิน่นพระธรรมไปหมิน่นพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสภาวะที่จะดับทุกข์หมดทั้งหมดเลย นั้นบอกว่าเออในตัวคุณธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ที่ท่านบอกว่าบุคคลเสมอท่านไม่มีนั้นท่านไม่ได้พูดโดยมานะแต่ท่านพูดให้เห็นถึงพักคุณของการที่ท่านบำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจากระดับที่ว่าพระอรหันต์เป็นภาษา v ก e เป็นภาษาวกถ้าเรามองตัวบา ร, รมีจะเห็นชัดเช่นพระอรหันต์บเพ็ญ บ, บางคนนี่ก็หมื่นกรับใช่ไหมครับ พันกับบ้างหมื่นกลับบ้างแสนกลับบ้างหนึ่งอสงไขบ้างนี่คือระดับสาวกนะแต่ถ้าพันพระพุทธเจ้าเนี่ยยีสอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัปก็ลองเทียบดูตัวเนี้ยตัวบา ร, รมีที่บ่มเพนมานั่นคือจุดที่ต่างกันนะครับที่เราจะมองเห็นความความยิ่งใหญ่ไพศาลของพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเออเก็อมองตรงนี้นะครับพอสมควรเกี่ยวเวลาอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาสรุปอีกทีนะครับ